เมื่อกี้ถามเรื่องอะไรเนะ่กินเจกินเจได้บุญไหมครับมันจะได้เลยได้ระดมถึงทำไมคือก็เดี๋ยวออกภาษาเขาก็กินเจผมก็กินเจทุกปีครับก็คิดว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําให้แบบว่าคือทำให้มีการฆ่าสัตว์น้อยลยทงทำอาหารทุกเพศผักมากขึ้นสัตว์แที่จะโดนหลังฐารนร้อยตัวก็อาจจะเหลือ แ, แค่แค่ห้าสิบตัวอ๋อมีความคิดของเราเนี่ยไม่ใช่ความเป็นจริง ก็เป็นจริงอะไรอย่างจริงๆคือการจะกินหรือไม่กินไม่ใช่ทําไม่ได้ทําให้การค้าเปนรเพราะจริงๆทุกวันเนี้ยธุรกิจการค่าโลกาภิวัตน์ทั้งหลายไม่ได้สง่งแค่ประเทศไทยอย่างส่งออกทางประเทศเมื่อประเทศไทยกินน้อ ย, ยแต่ประเทศอื่นถ่าไม่เบี่ยงองนไปดูไปดูที่หน่วยงานเกี่ยวกันค่าสรารทั้งหลายฉะนั้นการกินเจเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเหตุทําให้ สัตว์ถูกฆ่าน้อยลอันนั้นเป็นความเห็นแต่ข้อเท็จจริงแล้วสัตว์ไม่ได้ถูกฆ่าน้อยลงเลยเพราะว่าเพียงเราเทศกาลช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยช่วงนั้นน่ยดูสิติการฆ่าไม่ได้ลดเพราะตามชาติทั้งหลายก็ต้องการมันอยู่ที่ว่าจํานวนของเขาเนี่ยเขาล็อกไว้เท่าไหร่ จะกนั้นคนต่อให้คนกินเจกันครึ่งประเทศการค่าสรรว์ก็ไม่ได้รู้เพราะว่ามันอยู่ตรงว่าถ้าเขามีนโยบายผลิตเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่เขาจะมีมีออเดอร์ของเขาชัดเลยเพาะเขามีชัดเลยถ้าเขาไปดูก็จะรู้เหตุผลบางทีเขาผลิตแทบไม่ทันไม่ซ้อนไปนั้นจะมีออเดอร์สั่งกันข้ามปีเลยสั่งกันเป็นข้ามปีเล ย, ยนี้เป็นต้นจากนั้นตรงนี้ก็ยกยอกไป แต่ความเป็นจริงการกินเจเนี่ยถามว่ามันถ้าเข้าใจมันดีไหมมันดีแต่จะไปกินโดยความหลงโดยความไม่รู้โดยความไม่ไม่รู้เหตุผลตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นสีลแ้ระพตรามาถึางที่ว่างเมื่อวานนี้แต่หมายว่าการกินเจจริงๆเนี่ยเพื่ออะไรถ้าบอกอ้อเนี่ยสุขภาพของเราด้วยใช่มเพื่อสุขภาพของเราหรือตลอดถึงว่า เราไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์เรื่องเกิดความเข้าใจจริงๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์นังแก่สัตว์ในกระบวการทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงเออให้เข้าใจอย่างนั้นแต่พึงเข้าใจใเถอะคนกินกับคนข้ามากันละส่วนเพราะอีกที่เรากินเนี่ยแปลว่าเรากินศพคือมันตายแล้วศพปลาศพหมูศพเป็ดศพไก่เนี่ยมันตายไปแล้วมันไม่ใช่ไปกินใ น, นขณะที่มันเป็นๆอยู่ ใช่ไหมมันจะไม่มีส่วนไม่มีเอี่ยวในการที่จะไปไปบาปหรือไปไปไม่บาปนั้นปลาและเนื้อมันไม่ใช่กลิ่นดิบแต่ราคะความกําหนัดโทสะความโกรธและโมหะความหลงมีดที่อยู่ในใจสัตว์ตงาอันนี้คือกลิ่นดิบกายยะตุจดิบวิจีตุจดิบมโนตุจดิบที่อยู่ในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนี่คือเป็นกลิ่นดิบปลาและเนื้อจะมีอะไรก็คือปลามาตายแล้วเนื้อก็คือเป็นซาก ประเด็นก็คือว่ามันจะบาปก็ต้องเมื่อเราไปสั่งให้เขาฆ่ า, าเราไปเรามีเจตนาไปชี้ไว้ให้ฆ่าเท่านั้นแต่ น, นี้เพื่อนมาสค์เราอย่างเนี้ยลักษณะอย่างนี้เป็นบาปไหมก็ต้องบอกเป็นเพราะว่าเจตนาในการที่เราคิดประทุษจร้ายสัตว์ทั้งหลาย น, นั่เองนั่นก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสิกขาบทข้อแรกเนี่ยในการที่ว่าสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์อื่นมีชีวิต มีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์ายลงเพราะความเพียรองค์ห้าเนี่ยเป็นกรรมบททีนี้อันดับแรกก็คือสัตว์ไม่มีชีวิตจบไปเลยตอนนี้ไม่ได้มีจิตที่จะฆ่าไม่ได้ทาความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นไมได้ตายลงเพราะความเพียรอะไรของเราเลยไนมะ่แต่สักนิดหน่อยเลยเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ไม่ได้เป็นบาปหรือเป็นบุญถ้าอย่างนั้น วัวควายก็กินหญ้าอย่างนันก็ต้องได้บุญดีทั้งนี้หัวควายกินหญ้าแล้วโหยสัตว์ที่มันกินหญ้ามีเยอะมากเลยพวกนี้จะตายที่กินหญ้าควายมากิานหญ้าใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เอ๊ทางนั้ น, นสัตว์พวกนี้ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยบาปเลยใช่ไหมมันกินเจกันตั้งแต่ชาติเลยไม่ได้ไม่ได้กินเจแค่ปีเดียวหรือเดือนเดียวหรือหรือเจ็ดวันอย่างที่เราทําั้งนี้นพวกนี้สมาทานกินเจตลอดชีวิต โอ้ยยังก็บุนใหญ่เลยตรงนี้ทำไมเพราะมันกินไม่ได้เพราะสัญชาตญาณมันมันกินอย่างอื่นไม่ได้มันเลิกินแบบนี้ช้างเนี่ยโอ้โหเนื้อจะนี้คือกินไม่ได้เลยนะขนาดใบไผ่เนี่ยก็อุตส่าห์ไปรู <sm ้รูดจิ้นใบไผ่มีหนุ่มีหล้วยขนาดนี้ยโอ้โรนี้ก็ได้ขันติดประมีสีจังเลยนะก็จะชัดเลยชัดเลยแต่ว่าบางอย่างเหตุผลก็ซ่อนอยู่เช่นว่า ไม่ให้ฐานที่เป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนเพราะว่าจะไม่ให้ปรุงกำหนัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีแฝงมีเจด้วยอันนั้นก็มีส่วนอย่างหนึ่งแต่จริงจิงมันอย่างนี้ไอ้ความกำหมุนกำหนัดทั้งหลายมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ราคะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะจริงจิงแล้วโอ้โหดังนั้นลองดูดิไอ้คนที่เป็นอัมาพาตแล้วเ อ, เอาเครื่องเทศไปให้เขากินเดี๋ยี้มันจะกำหนัดอีกไหม ใจมันก็ยังกำนังอยู่นั่แหละต่ว่าร่างกายมันไม่ขึ้นไม่ไม่กระตุกไม่อะไรแล้วอืมันเป็นอมภะพาสมันเป็นอามภพึ่งจะไม่รู้เอาเด็กเด็กเนี่ยเด็กเด็กเนี่ยเอาเครื่องเทศใส่ให้มันเลยที่เด็กเกิดใหม่ๆหม่มันกำลังไหมจะไม่รู้ครัแต่แต่ในใจของสัตว์มันมีกำลังขัดเครืองโมเมลุ่มหลงหมดมันนั่นอันนี้บางทีเราไม่รู้สภาพจิตอเป็นป่านิยมว่าไอ้นี้แหละ หันเช่า <c> ก <oughs> ็ถูกินกันใหญ่เลยอะไรนี้โอ้พอตายมาก็เลยตายเป็นโอ้โหก็จิตจะยืดขึ้นมาเอยตายอะไเลย่างเงี้ยก็คนคิดนี่เขาคงจะท้ามาฟังอาจารย์นี่เขาอาจจะไิ่สงหันตั้งใจเจ๋งก็เหมือนกรณีที่บอกว่าไอ้เนี่ยไ้ความความกำหนักเหมือนผ้าหันว่าไง เาบอกว่าพระอรหันย์มีความกำนังอยู่ไหมนี่มีเพราจิตของท่านหมดกิเลสใช่ไวล่ะจิตต้องท่านหมดกิเลสแล้วทีนี้เนี่ยกรณีนี้มีประเด็นถกเถียงกันมาในสมัยหลังๆก็จะกลายมาเนี่ยเขาต้แก้ประเด็นขอเงเพราะฉนัด้านจิตเนี่ยถ้าจิตมันไม่มีราคะตัวสามโมหะแล้วเนี่ยมันถามว่าความกำนังมันจะมายังไง ควากำหนัดขึ้นมาจากิารจีบนี่ใช่ไมเป็นมาจากการปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งว่ามันสวยมันงามมันดีมันเลิศถามว่าจะกาหนัดได้ยังไงเพราะในความเปจริงมันไม่ได้ดีมันไม่ได้งามไม่ได้เลิศย่างที่เข้าใจอะไรเนี่ยถ้าลองคิดอย่างนี้ที่ปรุงแต่งนะว่าในสรีระของผู้หญิงนั้นน่ยก็มีทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเยืก่กระดูกเกลืออะไรกระดูกมีไตมีหวัวใจมีตับมีปอดมีไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่ก็คืออาหารที่ลงอยู่ในกระเพาะอาหารกล่าวของสรีระ ถ้าเรามีมันสมองมระยองระยายเต็มไปหมดถ้าเราปรุงแต่งจิตให้ไปเห็นความจริงตรงนี้ได้มาถาวว่ามันจะลำดัดไหเนี่ยใง น, นั้นมีทั้งอุจจาระมีทั้งปัสสาวะมีมีหนังหุ้มอยู่ข้างในโอ้โหระยองระยายเลตายก็อยังตับก็ยังปอดก็ยัางไอทวานหนักทวานเบาลองดูดิมนุษย์ที่ไปไปเศษกลางกันอยู่โอ้โหลองคิดดูดิว่ามันเป็นของสกปรปกทั้งนั้นเลยเนี่ยไปที่ไหลออกของอุจจาระไปที่ไหลออกของปัสสาวะเห็นไหม ไอตะวันหนักตะวันเบานั้นเนะี่ยในนั้นก็เป็นได้ของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเยะที่คนพานทั้งหลายพาการชิ้นมชมแต่บัณฑิตเนี่ยก็เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดแล้วยังเขาเห็นความจริงอย่างนี้นมาถามทําไงแล้วเขากระจายความจริงแบบเนี้ใช่ไหมล่ะไอ้ น, นี่มันไม่ได้ปุงแต่งตามความเป็นจริงไม่ได้ไปเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้นี่เป็นวงแต่งว่างามว่าดีว่าเลิศโอ้โหวิจิตรมาก พาตัดดูแล้วก็หูใจวิตมากตับวิตกมากปอดวิตมากมันกลับไปปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งมันทำงาน ก, กาันลําบมากแท้จริงมันของไม่มังามมันเหม็นใช่ไหมมีเหม็นไม่สะอาดมีมเต็มไปเลยมีทั้งอะไรละเลือดเหงื่อมันข้นไหมเปรี้ยวมันแล้วก็มีอุจจาระปัสสาวะเต็มอยู่ในลำไส้มีไขมันมีเมือกโอ้โหเต็มไปหมด มีไตมีตับมีมา้ามีปอดระยงระยายแบบเนี้ยแล้วมันจะไปหน้ากำนัจรินดีไหม ถ, ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้เห็นไหมปัญญาที่ไปรู้ความจริงเนี้ยมันถึงหมดกำลังแต่ถ้าไปเห็นอีกวงนึงที่มันถูกสอน อ, อีกวงนึงให้ข้อมูลอีกอย่างนี้โอ้ยสวยโอ้ยดีโอ้ ย, ย, ย, ยไม่ดีได้ไงอุจจาระก็ไหลออกจากตรงนั้นแหละปัสสาวะก็ไหลออกจากตรงนั้นแหละแล้วเป็นหน้ายินดีตรงไหนแล้วเป็น น้องตายยุไม่นานเนีหมู่นอนจะทะลักออกมาเต็มหมดทวารปากทวารจมูกตาหูมดหนอ น, นทวารหนักทวารเบาเนี่ยหนอนจะถูกออกมาจากข้างในข้างในมันเต็มไปด้วยด้วยสัตว์จากสัตว์ต่างๆมีพยาธิและหมู่นอนเต็ไมไปหมดใช่ไหมคนตาคนเป็นเนี่ยน้องตายดูที่ขนาดเอาซีนเลยนะเอาพลาสติกซีนไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าเลยเนะี่ยลองดูดประมาณห6วันเนี่ยโอ้ยหมอนทะลักออกมาจากข้างใ น, นหมู่นอนทั้งนะั้น ก็ในเนี่ยในในกระแสชีวิตสัตว์เต็มไปด้วยหมู่นอนใช่ไหมเต็มไปด้วยสัตว์อื่นอีกมากมายเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งส้วมเป็นที่ถ่ายกระดปัสสาวะเป็นที่ประสมพันธุ์ของเขาเป็นที่เกิดเป็นที่ตายของเขาเต็มไปหมดก็สัตว์เป็นแบบนี้ถ้าทะลุความจริงอย่างนี้ขึ้นมาถามว่าจะเป็นกําหนัดไหมเนี่ยไม่จะเินดีไหมจะเป็นเพลิดเพลินไหมจะเป็นมัวมองรุ่มหลงไหมย่อมยอดเลยจะมีหัวจามีบวกหรืออะจะดีแล้ว แล้วมันเห็นอย่างนี้จริงๆไหมเห็นติดต่อไหมเห็นต่อเนื่องไหมถ้าเห็นติดต่อเห็นต่อเนอเื่องเรียบร้อยทีนี้บางทีปัญญามเกิดพอปัญญาไม่เกิดโมหะ้ามาแทรที่โอ้งามโอ้โอสวยเลยมอ ง, งในชีวิตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นแบบนี้คนมองเหนน็นที่ฉะนั้นถึงบอกว่าเราอยู่เราเราจะมองความจริงหรือเราจะย้อมใจเรามันเหมือนหวงไามา้ เงินม้าสีเขียวเอาแว่นสีเขียวไปใส่ตามันแล้วก็เอาเอาฟางิ้งแห้งหลอกมันมันก็มองเป็นญ้าเขียวกินใหญ่ยังไงม้าเอาสีอะไรเอาแว่นไปใส่ตามันก็มองเห็นเป็นยังไงๆรั้งๆที่มันกินหูยาแห้งแต่มันหูเขียวไปหลอกมันไงก็กินใหญ่มาตัวเนี้ยก็นี่มือนกันตาคือปัญญาของเรามันถูกจีเลีย้อมอยู่มันก็เลยมองเห็นว่างามของไม่งามไปมองว่างาม ของไม่เที่ยงไปมองว่าเที่ยงของที่มันทุกไปมองเป็นสุขของที่มันไม่ใช่อัตตาตัวตนก็ไปเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนใช่ไหมล่ะนี่เขาเรียกอะไรภาษาพราะเรียกวิปริตมณสิการวิปริตไม่ใช่เขาว่าวิปลาดคาดเคลื่อนมองที่คาดเคลื่อนอยความเป็นจริงมันไม่งามก็มองว่ามันงามมันไม่ดีก็มองว่าดีมันไม่สวยก็มองว่าสวยเริ่มเริ่มมองเห็นนี่ไงมันเป็นแบบนี้ ฉะนั้นโะดยสรุปประเด็นตรนี้ก็คือว่าเห็นไหมว่าใจเราถ้าหากไปย้อนผิดคำหูมันไปอย่างนี้ลองดิเราไม่ให้ข้อมูลแบบผิดๆทีเนี่ยให้เป็นโจรกนะ็ได้ทเราให้ข้อมูลเป็นโจรมันเป็นโจรเลยนะไม่รู้เราเนี่ยให้ข้อมูลเป็นทหารก็อยากเป็นทหารให้ข้อมูลเป็นตำรวจก็อยากเป็นตำรวจมันอยู่ที่ว่าปรจจุโพสารปัจจัยที่อยู่ ใ, ใกล้ๆเราอะอะไรสิ่งแวดลอ้อมของเรากระตุกเราไปด้านไหน ถ้าให้ข้อมูลเป็นมหาจนมันเป็นโจนข้อมูลให้เป็นครูมันอยากเป็นครูข้อมูลเป็นเป็นหมออยากจะเป็นหมอข้อมูลบอกวิทยาศาสตร์ดีมันอยากทีเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลบอกดราศาสตร์ดีอยากทีเป็นนักดราศาสตร์ดารศาสตร์ข้อมูลกกฎหมายดีเป็นโยชน์มันอยากจะเป็นนักกฎหมายเป็นผู้ว่าขาก็อยากทีเป็นผู้ว่าษาโอ้โหมันอยู่ที่ว่าปาราโดสซาัจัยนี่เราไมเกี่ยวข้องข้อมูลบอกว่าเป็นพระเลิศแล้วมันก็อยากเป็นพระใช่ไหมเป็นพระริเจาสุดยอดโอ้โหก็อยากจะเป็นพระริเจ้านี้เป็นต้น มันอยู่ที่ปัจจัยภายนอกที่จะปรารถโนภาษาปัจจัยนะมันเป็นปัจจัยกลุ่มไหนมนุษย์มันก็อีมันก็ไปในด้านนั้นเลยเริ่มเห็นไหมมันมีที่คนมากเราจะให้โลกใบนี้ประเทศนี้เป็นยังไงก็ได้าให้ปัจจัยมันที่ก ร, ระซ่าปรารถโนภาาปัจจัยมันเยอะ ๆ, ๆ, ๆ, ๆในสิ่งที่ปารานะอยางจะเป็นเป็นกันทั้งประเทศเลยนะเราจะระ ด, ะดมให้รักชาติกันทั้งประเทศก็ได้ระดมให้มันแตกแยกก็ได้เราสร้าง สร้างเรื่องสรา้างราวขึ้นมาจริงๆมันทำได้หมดเละถ้าเยียอำนาจทาได้หมดเลยอะไรได้ไหมด้ยสะดวกก็คือว่าพวกอำนาจเนี่ยกำหน้ดก็มีก็สั่งการก็กําหนดกฎเกณฑ์ทำอะไรได้แต่จะทําไปแล้วทำให้เจตนาดีหรือไม่ดีทําเจตนาดีด้วยปัญญาถึงแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยจะสร้างสังคมแบบไหนก็ได้เนีจะสร้างสังคมอุดมคติอย่างไงก็ได้แต่ถ้าว่าไม่มีอนุภาพพอเนี่ยอย่างเรามาพูดกันแค่นี้ มันจะได้อย่างเนี้ยเอาส่งขึ้นเวฟหน่อยเอาใจนิดเพราะคนมันไม่ได้มีอะไรกระตุ้นใช่ไหมเขาบอกว่าทุกคนต้องมาฟังเป็นกําหนดกฎเกณฑ์หนึ่งเดือนเปลี่ยนหมดเลยไี้นี่ไม่เหลือไม่ได้ข้อมูลเนี่ยอืลองดูที่เรามีคําสั่งในหนึ่งเดือนเนี่ยคนจะต้องมาอกรบข้อมูลให้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้สมมุติเป็นยังไง ความจร oh, really? okay, ิงเป็นยังไงแยกให้ออกโอ้โหเรียบร้อยในเดือนเดียวเป็นนั้นเปลี่ยนต้งกลมเลยให้ข้อมูลทุกวันทุกวันทุกวันไม่เหลือกองทหารเดินลงไปที่จะให้เปลี่ยนสัวท่าเป็นไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาปัญญาไปไหมถ้าไม่เอาปัญญาไปก็ทิฏฐิไปก็ได้ทิฏฐิเอาสิ่งเวรรับเป็นทิฏฐิเอาสิ่งเวรรับเป็นตัณหาสิ่งเวรรับเป็นมรณะเอาสิ่งเวรรับเป็นความเพียรเอาสิ่งเวรรับเป็นชั้นผ้าถ้าเอาแล้วจะเอามุมไหนไปมันจะได้มุนั้นออกมาเลยนี้เป็นต้น นั้นปัจจัยภัยก็สำคัญนะเนี่ยมสำคัญอย่างนี้แหละว่ามันคอและเหีืนี่ไงนี่จะถามเลยทำไมจ็ป่วยไมถามเลยทำไมไม่ถามอ่าเดอไ <önemli S 2> อะไรนะดูแล <ält> เจ็ดีหรือล่ดูแลตัวเองไม่ดีเลยปวดปวดทีก้างคอนไหนไม่แน่ผมอ่อนี่ับคระแลสีพุ่มสีแสงตามนับ ดูเกันชิ้ถีเ่เยอใกล้ยา ม, มงเงก็เป็นร้อนนะพระเจ้าเราล้ำร้อนใ่ครับะเทเียตร้ครับอ่าต่อไปเดี๋ยววันนี้จะศึกษาในเรื่องกำเข้าไหมเรื่องกำ <c oughs> แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ แย่ก็ปรีชาจะสอนหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทักงวงไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องของจิตใจไม่ว่าชีวิตในโลกที่มสิ่งแวดล้อมอยู่ก็ตามทั้งหมดทุกอเป็นไปตามธรรมดาร์คำว่าธรรมดาในที่นั้นก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยถามว่าเราก็คือว่าธรรมดานี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายหรือเห็นได้ยาก คาว่าเห็นธรรมดาเห็นได้ง่ายก็เห็นได้ยากในการเห็นธรรมดานเห็นยากไม่เห็นง่ายเห็นได้ยากคนที่เห็นธรรมดาได้เขาก็บรรลุธรรมใช่ไหมเข้าถึงกฎความจริงของชีวิตฉะนั้นเรื่องธรรมดาดูเหมือนจะง่ายแต่เห็นได้ยากโดยมากเราจะไปเห็นสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมดาธรรมดาในที่นั้นคือว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์ธรรมดาที่ว่านี้มองด้วยสายตาของมนุษย์ที่เรียกว่ากฎธรรมชาติเรียกในภาษาบาลีว่าเป็นนิยามนิยามมนิยามก็แปลว่าอะไรแปลว่ากำหนดอันแน่นอนทํานองหรือแนวทางที่แน่นอนเรียกนิยามหรือความเป็นไปอันเป็นระเบียบแน่นอนเพราะอะไร พรปรากฏให้เห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างแน่นอนทีนี้กฎของธรรมชาติหรือนิยามเนี่ยแม้จะมีลักษณะที่ทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดเนีความเป็นไปตามธรรมดาของเหตุปัจจัยที่มันแยกประเภทออกได้ตามลักษณะและก็แยกไปตายได้หลายอย่างผ้าจัรฐานาจารย์ท่านแสดงกฎธรรมชาติไว้5กฎเนาะหอย่างคือ 1. อุตุมนิยามเคยได้ินะ 2. อพีใช้นิยาม 3. จิตตานิยาม 4. ีกรรมนิยาม 5. ห้าห้าเพื่อธรรมนิยามทีนี้ในนิยามทั้ง5อย่างนี้นิยามไหนใหญ่ที่สุดธรรมนิยามใช่ธรรมนิยามใหญ่ที่สุดใช่นไหมอันนั้นเป็น อารราต่อมาคือเรื่องอุตุนิยามอุตุนิยามก็ถือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางด้านวัตถุเช่นยังไงความเป็นไปของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุเช่นดินฟ้าอากาศฤดูการฝนตกฟ้าร้อง ไอ้ดอกบัวนี่บานกลางวันหรือบานกลางกลานคันดากบัวบานกลางวันับพ่ออะไรโดนแสงแดดเออได้แหละกลางคืนก็ผกดินน้ำปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้งามการีิคนไอ้พิจามไอ้จามหมายถึงวามันเกิดจากสรเคไม่ได้เกิดจากกินนะมันเกิดจากอุตุเกิดจากดินฟ้าอากาศที่มันมันแปรปรวนทัหาย้นี้เป็นต้นแล้วเนี้ย แนวความคิดของนั้นมุ่งเอาความผันแปรที่เนื่องด้วยความร้อนและอุณหภูมิเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็อุตุความแน่นอนอันนี้เป็นกดธรรมชาติไหมใช่กดธรรมชาติมเนี่ยอันนี้อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ไหมอยู่นะมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมละ่ะแต่มนุษย์ไปรู้เหตุปัจจัยก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อะไรได้เพียงจะไปแก้ ไ, ได้อย่างไรนั่นก็ว่ากันทีว่าความรู้ปัญญาของมนุษย์เพียงพอไหม ที่เราจะไปรู้กฎ ก, การทั้งหลายอาจจะทําให้ผลตกผลไม่ตกยังไงนะจะแก้เหยียปัจจัยยั ง, ก, ย ก, ยยงก็ว่ากันไปทําผลเตรียมรุกเตยมอะไรก็ตอนแรกแต่นั้นมีวิธีการอีกมากมายที่จะทําให้อุตุมันมีการทํานแปลเปลี่ยนแปลงยังไงผลตกฟ้าร้องเนี่ยเ็เรื่ออุตุนิยามอันนี้กฎธรรมชาติเนี่ยนีแยกอันสองพีชนิยามมีกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการสืบพันลึกเรียกกันว่าพันธุกรรมหลักความจริงที่ว่าว่าพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้น มะม่มวง อ, ออกมาเป็นมะม่มวงไป็นต้นเหรเนี่ยแล้วมันยังมีพันธุกรรมอีกเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยนะมีดีเนเอยังไงมีพันธุกรรมยังไงทางฝ่ายรูปธรรมทั้งหลายนีงโง่โอ้โหอีกเรื่องใหญ่เลยใช่ไหจริงไหมเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกพีชานนิยามอย่านี้กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์กับพืชพันธ์เอาเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องของจิตตนิยาม โอ้นี่เริ่มเริ่มเกี่ยวเรื่องจิตใจได้วแต่นี้ยจิตนิยามคือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการทํางานของจิตเมื่อมีสิ่งร้าวคืออารมณ์ทั้งหลายมากระทบทางต่าหูจมูกเล่นก า, ายใจปุ๊บจิตเกิดไหมจิตเกิดขึ้นมาและเช่นทัศนกิจเนี่ยจิตทําทัศนกิจจิตทําหน้าที่เห็นเนี่ยเรียกจะภูมิยานจิตที่ทําหน้าที่ได้ยินก็ทรงเรียกว่าโสตวิญญาณเนี่ย จิตที่ทําหน้าที่รู้กินเขาเรียกกาหน้าวิญญาณจิตที่ทําหน้าที่รู้รสชิวหาวิญญาณจิตที่ทําหน้ารู้หน้าที่รู้ถูกต้องเขาเรียกว่ากายวิญญาณจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์เขาเรียกสัมปติชนะจิตที่ทําหน้าที่ไต่สวนอารมณ์เรียกว่าสันตีนะจิตที่ทําหน้าที่ตัดสินอารมณ์เรียกว่าอวตภนะจิตที่ทําหน้าที่เสพอารมณ์เรียกว่าฌานะจิตที่รับอารมณ์ต่อจากฌานะเรียกว่าตทารานะจิตที่ลง ไม่ไม่ไม่อยู่ในวิถีจิตเขาเราียกผวังนะจิตที่รักษาองค์ยังเพราะจิตที่ทำหน้าที่เกิดเ็าเรียกปฏิสนธิจิตที่ทำหน้าที่ตายเขาเรียกหยติเงี้ยอันนี้เ็เรียกว่าอะไรจิตตนิยาอันนี่เป็นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการทำงานของจิตพอมีสิ่งร้ามากระทบปุ๊บจิตทำงานทันทีไหมทำทันทีเรารู้ไหมไม่รู้เลย เพราเไม่ศึกษาเรียนรู้จะศึกษาเรียนรู้ไปวิจัยแยกๆมันถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจเน้นๆเนี่ยเห็นไหมลักษณะเนี้ยเ้าเรียกจิตตนิยาม ก, กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการทํางานของของจิตแทนจะมีจิตเห็นจิตได้ยินเป็นต้นเหล่านี้เป็นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ เราจะรู้หรือไม่รู้เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราจะทราบหรือไม่ทราบแต่เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบมีอารมณ์มาปรากฏมีสิ่งเร้ามากระทบขึ้นมาปุ๊บจิตเกิดขึ้นทันทีไหมถ้ามีสิ่งเร้ามากระทบทังทวางตาจิตเห็นเป็นต้นทําหน้าที่ทันทีไม่สิ่งเร้ามาปรากฏมากระทบทังทวารหนูจิตได้ยินเป็นต้นทําหน้าที่ทันที มีสิ่งร้าวมากระทบทำทวารยมกิตได้กลิ่นทำหน้าที่รู้กลิ่นแล้วก็รับอารมณ์ทั้งหลายในทวารนั้นทำหน้าที่ทันทีมีสิ่งร้าวมากระทบทางทวารลิ้นจิตในการรู้รสเกิดขึ้นทันทีมีสิ่งร้าวมากระทบทางกายกายยมยามที่ทำหน้าที่รู้ถูกต้องเป็นต้นเกิดทันทีหรือลงสู่ใจมโนวิญญาณทำจิตทันทีนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตตนิยามความเป็นกฎธรรมชาติ จิตมันทํางานก็มันอยู่ตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับว่าคนอย่างตัวนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองเป็นความที่เป็นธรรมดาอย่างนี้เองมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนะี่ยมารู้กดความจริงอย่างนี้มารู้ธรรมดาเหล่านี้แหละจึงมาแต่งตั้งเปิดเผยจึงมานํามาแสดงมาบอกกล่าวเพื่อให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้รู้ความจริงกดธรรมชาตินี่ได้สามกดแล้วนะกดต่อไปก็คือ กรรมนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มีกระบวนการการก่อการกระทําและให้ผลต้องการกระทําหรือพูดให้จำเพาะ ล, ลงไปก็เรียกว่ากระบวนการหินเกจจำนองความจงใจหรือความคิดปรับแต่งสร้างสรรค์ต่างๆหรือการคิดในการที่จะเบียดเบียนทําลายต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยกรรมดีมีผลดีกรรมชั่วก็มีผลชั่วเป็นต้นเหล่านี้อนี้ก็เรียก กรร ม, มนิยามเป็นความเป็นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มันมาจากอะไรจะนี่มาจากเจตนาพระเยาเจตนาหังที่ิกเวกรรมังวดามิเจตยิตวาริเตอร์เนี่ยบอกว่าดูก่อนวิจิุตทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเมื่อบคุคคลมีเจตจำนง ม, มีความจงใจมีความตั้งใจแล้วจึงทําริงพูดจริงชิด่ อ, อมานี้เป็นต้นเนี่ยเห็นมไหมเจตนาเป็นตัวกรรมอย่างนี้ จะชัดเจนบางทีอย่างเดียวนะเจาะลงไปอีกข้อสุดท้ายคือธรรมนียามนิกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นไปไปตามเหตุผลแก่กันอาการของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือที่เรียกกันว่าความเป็นไปตามธรรมดาเช่นว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา คนย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาธรรมดาของคนอายุนี้มีอายุประมาณร้อยปีเนี่ยนะมีความไม่ว่าพุทธิจาจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่วัตเกิดขึ้นย่อมเป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้สภาพทั้งหลายมีปัจจัยปตงแต่งเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระเจ้าหรือไม่เกิดขึ้นของพระเจ้าแต่ธรรมดาทั้งหลายมันก็เป็นเพ้ามันอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นพีชนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับารพืชพันุ์สืบพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นจิตนิยามการทําหน้าที่ของจิตแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมนิยามเกี่ยวกับนวนความจงใจและตั้งใจจนเกิดขึ้นสร้างสรรค์หรือทำลาย ไม่ว่าจะเป็นธรรมนิยามทั้งหมดนี้มันประชุมรวมกันอยู่ในธรรมนิยามนะทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแ ป, ปรเปลวนในท่ามกลา ง, างแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดเกิดแกเ่เจ็บตาหรือในยุคนี้คนมีอายุขัยเท่าไหร่เป็นต้นเหล่านี้มันเป็นธรรมดาของของสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิยามหาอันนี้เข้าใจแบบคร่าวๆกว่อนในชัดเจนีหม ชัดเจนคือมีห่านิยาม อ, อะไรบ้างมีอุปนิยามมีพิชานิยามมีเจตนนิยามการนิยามยาและธรรมนิยามโดยธรรนิยามรวมรวมกัขอ้อสข้อรวมยังไงธรรมนิยามไม่เป็นธรรมใหญ่นิยามใหญ่เช่นใหญ่กดแน่นอนเช่นไหนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่มีอุปนิ มีดุสุกนิยามข้างในมีจิตกับมีจิตกับนิยามมีการอนิยามมีเชนิยามคือเข้าใจว่าทาอนิยามทั้งหมดมารวมลงที่ทอนิยามเข้าใจไหมเข้าใจว่าสี่นิยามแรกอะก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมถลายแล้วก็จบไปอาการที่ อุตุทิยามชีใช่ยามจิตนิยามกรรมนิยามหนึ่งมันก็มาประชมุมในธรรมนิยามมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหมดหมือนกังหมดนั้นคําว่าธรรมนิยามมีรวมทั้งหมดทีนี้โดยมากเราบอกเราไปพูดกันเนี่ยเราโดยส่วนใหญ่เราพูดธรรมนิยามเช่นเนาสรรพสิ่งทั้งหลายก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยแต่เราไม่เคยแยกองค์ประกอบว่าอะไรบ้างเน่ย<ม>เป็นเกี่ยวกับอุตุหรือเกี่ยวกับพืชพันธุ์เกี่ยวกับจิตหรือเกี่ยวกับเรื่องกรรมเห็นั้ม เรามาพูดรวมเลยไงว่าอ๋ออย่าไปคิดอะไรมากเลยทุกอย่างก็เนี่ยเกิดขึ้นกลางอยู่ต่อไปว่าไหมนั้นในนิยามเหล่านี้ถ้าไปเจาะรายละเอียดก็จะมีเยอะเช่นเรื่องจิตแต่นิยามโอ้โหต้องเข้าใจเรื่องกระบวนการทํางานของจิตทั้งหมดเลยไงแต่จิตนิยามนั้นก็คือทํามนิยามนี่แหละการนิยามก็คือธรรมนิยามนี่แหละอุตุนิยามก็คือธรรมนิยามนี่แหละพีชานิยามก็คือธรรมนิยามนี่เอง ทั้งหมดอันนี้มันคือเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่มนุษย์ไม่เข้าไม่ไปรู้องค์ประกอบไม่เข้าไปรู้เหตุปัจจัยตามความเป็นจริงมนุษย์ก็เลยมึนมงงและรู้เฉพาะด้านเดแล้วก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากการที่จะเข้าใจธรรมชาติทั้งสิ่งเหล่านี้อณุเวาศาสตร์ก็ศึกษากฎเกณฑ์ธรรมชาติอีกอย่างใช่ไหมก็ต้องการอยากจะรู้ความจริงธรรมชาตินั่นแหละเมื่อรู้ความจริงธรรมชาติใน่ใดแง่หนึ่งก็จะได้เอามาใช้เกิดประโยชน์ ก็ว่ากันไปว่าเออเนี่ยก็ทำยังไงนะให้เครื่องบินมันลอยขึ้นได้เนียให้เหล็กมันลอยขึ้นไปได้ข้างบนเนี่ยเออก็เอาดูธรรมาชาตินี่ล็เอาธรรมาชาติของศึกษานี่แหละก็ดูนกว่างไใหม่ใหก็ดูอย่างนกมันบินก่อนเนี่ยใช่ไหมเออนกมันบินได้ยังไงเนี่ยอ๋อนกมันมีจิตมันมีปีกมันมีหางใช่ไหมก็ทำอะไรเหมือ น, น, นกันใหม่ใหม่เราก็สังเกตุบางที่ก็จะทาเหล็กบินได้โอ้โถทดลองใหญ่นี่แหละ วิ่งตกวิ่งตกกันอย่างนี้แหละใช่ไหมละ่ะก็เริ่มมาอ้ามีเครื่องมีที่ตัวปั่นตั ว, ต, ว, ต, ว, ต, วตัวหมุนขึ้นมาแล้วเข้าไปปัน่นวิ่งปื๊ดไปชนนู้นชนนี้ไม่รู้เรื่องว่าเออมันทําไมกาหนดทิศทางลงไม่ได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมก็คือต้องการไปรู้ความจริงธรรมชาติเลยไม่ใช่ไปคิดอะไรใหม่เลยนะก็ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วเรียกว่าเป็นเอาเหตุปัจจัย อ, องค์ประกอบมา มันขาดองประกอบยังไงให้เหตุปัจจัยยังไงมันก็เลยเป็นไปตามเป้ า, ารประสงค์วัตถุประสงค์ที่เราปรารถนาอยากให้มัเป็นไปตามนะอยางนั้นอ่าถ้าถ้าเข้าใจตรงเนี้ยนะก็จะได้ไปเข้าใจว่าโอที่บอกมนุษย์มันหายตัวได้มันบินได้นะมันไม่ยากเลยแล้วแต่เนี้ยถ้าไปเข้าใจเหตุปจัจจัยอง์ประกอบด้วยธรรมชาติความจริงตรงนี้เสียไม่ต้องพูดกันแล้วแต่เนี้ยก็ขนาดสิ่งไม่มีชีวิตมันยังลอยขึ้นไปได้ใช่ไหม นกลอยได้แล right it, <laughs> <interes es Twelve> <laughs> ้วมนุษย์เนี่ยทำไมจะลอยไม่ได้ถ้าได้เหตุปัจจัยไปสร้างองค์ประกอบเป็นครบบริบูรณ์เสร็จผมไม่ใช่ธรรมดาให้เป็นต้นอย่างไรเราเอออะไรก็ว่ากันอย่ี้อะจะไม่เจาะในรายละเอียดตรงนั้นสิ่งที่พูดไว้ก็คือเจอการพูดเรื่องกรรมตัวเรื่องกรรมนี่อาไปพูดเรื่องกรรมเนี่ยกรรมแปลตามสัตว์ก่อนเขาแปลว่าการงาน กรรมมสัตวเนี่ยกไก่กรอเรือสองตัวมม้าหรือจะบาลีก็กมอไก่มอม้ามีจุดก็มม้าก็เป็นกรรมะกรรมก็แปลตามสราระการงานหรือแปลว่าการกระทำแต่ถ้าพูดถึงในด้านขอทางธรรมะเนี่ยต้องจำกัดความจำเพาะจอบลงไปหมายถึงการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนา หรือการกระทําที่ประกอบไปได้วยความจงใจถ้าเป็นการกระทําที่ไม่มีเจตจํานงหรือความจงใจก็ <c oughs> ไม่เรียกว่าเป็นกรรมในความหมายในทางธรรมในประเภทนะี้นะในเรื่องนี้นนะนั้นกรรมเป็นศัพท์คําว่ากรรกลางนะแต่พอพูดเรื่องกรรมปุ๊บใหญ่มากเราจะนึกถึงเรื่องดีหรือไม่ดีมีใช่ไหมเราจะนึกถึงเรื่องไม่ดีอ่าอย่างยีและบางทีเราไม่ได้ไปนึกถึงตัวเหตุด้วยเป็นนึกถึงตัวผล เช่นไปเจอคนเขาประสบความไม่ดีเขาได้รับผลที่ไม่ดีอ๋อเป็นกรรมของเขาจริงไหมเป็นพูดถึงเหตุหรือผลนะก็ดถึงผลหรือั้งเหตุเช่นเราเห็นคนเขาประสบอุบัติเหตุตู้มก็ไปร้ชนเนี่ยเราก็บอกว่าอะไรนะียเป็นอะไรเป็นกรรมของเขาแล้วพวกเนี้ยจริงไหมเป็นเคราะกรรม แล้วถ้าเกิดได้ยินข่าวคนถูกรางวัลที่หนึ่งรา ว, วัลไงเป็นโชคเห็นไหมทำไมไม่บอกว่าเป็นกรรมของเขาเพราะกรรมมาสัพนินแปลว่าการกระทํายังไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมล่ะทีนี้ประเภทของกรรมเนี่ยก็ต้องจําแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมะหรือที่เป็นมูลเหตุ มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือกุศนกรรมกรรมที่เป็นอคุศลการกระทําที่ไม่ดีความชั่วก็หมายถึงการกระทำที่เกิดจากอคุศนกรรมหรือเกิดจากมีโลพัคโทสะโมหะเป็นบูลใช่ไหมเป็นเหตุการกระทําในลักษณะนั้นเขเรียกว่าอะไรอกุศนกรรมถ้ากุสนกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นกุศลการกระทําที่ดีเขเรียกว่ากรรมดี หมายถึงการกระทำที่เกิดจากอุปสรและบูลคืออโลพาความไม่โลอโทสากความไม่โกรธแล้วก็อะโมหะแปลว่าอะไรอะโมหะคืออะไรความไม่หลงคือปัญญานิเดียเหมือ น, นทุกวันนี้เราชอบพูดกันว่าแหมโมโหอยู่ถามโมโหนี่มันตัวไห น, ม น, นโมหะแต่ทําไมเราไดิดเลยมากทางโลกเขาพูดไปแทนอะไตัวไหนโธโทัศเห็นไหม โลโพโทโสโมโหจักรนิธบริเขาต้องโลโพโทโสโมโหโลโพคือโลภะความโลภโทสคือโทสะโมโหคือโมหะนี่แปลว่าหลงแต่เราด้วยว่าคําโมโหแปลว่าเราโกรดนี่มันไปผิดความหมายมันเพียนนิดนงเนี้ยใหญ่ของโมโหได้่ามัน ยัยผมหลงแล้ว่ามันยผมโง่แล้่ว่ามันจะไอ้โมหันนี่แปลว่าโง่แปลว่าหลงถ้าซ้ำโมหันแปลวหลงมากเห็นไหมเนี่ยเราก็ใช้ศัพท์กันขิดพัวเรื่องมันใหญ่เรื่องมันเยอะสรุปแล้วคาว่ากรรมเนี่ยเป็นคา ก, กลางๆใช่ไหมยังไม่บ่งบอกที่ดีหรือไม่ดีถ้าเป็นอกุศลกรรมก็แปลว่ากรรมที่เป็นอกุศลเนีย่ยเป็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นการกระทําที่ไม่ดี ถ้าเป็นกุศล ก, กรรมเนี่นี่กรรมที่เป็นกุศลนี่เป็นการกระทําที่ดีหรือเป็นกรรมดีฉนั้นสรุปแล้วก็คือเขาพูดกรรมเนี่ยพูดเหตุหรือผลกรรม ม, มีบอกบอกทั้งตัวเหตุหรือตัวผล ต, ตัวเหตุถ้าไปเจอคนที่เขาประสบสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นแปลว่าเขารับผิดเขาทำเหตุหรือเขารับผลเขรับผลเขารับผลที่ไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นจะจะพูดใ้สูจะต้องพูดยังไง เป็นวิบากของเขาอ๋อเขาได้รับผลของกรรมที่มีดีใช่ไหมเวลาคนถูกรถจะเรี่กรางวัลนี่หนึ่งอ๋อเขากําลังรับผลกรรมที่ดีอ๋อนี่เป็นกรรมของเขาเหมือนกันวันนี้เขาทํากรรมมาเขาทํากรรมดีมาจึงเป็นแบบนี้ทํากรรมไม่ดีมาจึงเป็นแบบนี้สรุปแล้วก็คือสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเจตจํานงความจงใจตั้งใจที่จะเป็นนี่เป็นต้น ให้เดี๋ยวแยกอีกหน่อยจะได้ไม่จะได้ชัดขึ้นทีนี้ถ้าจําแนกการถามถาวรเนี่ยการกระทํากรรมหรือการแสดงออกมาของกรรมมันจัดเป็นสามหกายกรรมการกระทําด้วยกายหรือการกระทําทางกายอันนี้เรียกกายยัทวารใช่ไหมมีกายกรรมการกระทําทางกายกายยัทวารวาจีกรรม กรรมที่ทําด้วยวาจารหรือการกระทําทางวาจารประการที่3าก็คือมโนกรรมกรรมกระทําด้วยใจหรือการกระทําทางใจในกรรยายกรรมวิญญกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นช่องทางในการทรราํากรรมถามว่ากายกรรมเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปําว่ากายกรรมการกระทํากรรมทางกายเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปได้บุตรสองอย่างได้ทั้งสอย่างเน้นเร็วเน้นเร็วความใจนะ ก็ปว่าเป็นทั้งกุศลกรรมก็ได้อกุศลกรรมก็เลยต้องไปดูอีกทีถ้าฆ่าสัตว์รักษาประพฤติในการมอันนี้เป็นอกุศลกรรมทั้งมดเว้ชการฆ่าเลดเวชการรักลดเวชการรู้มิตรในการมอันนี้เป็นกุศลกรรมทางกายต้องบอกด้วยงคำเน้นไปด้วยทางกายด้วยวจีกรรมกรรมนีธทรมทำด้วยวาจาหรือกรรมทางวาจาถ้าพูดเท็จพูดสอเสียพูดคํำหยาพูดเพเจ้ออันนี้เป็น วัตถิกรรมที่เป็นอกุศนใช่ไหมถ้างดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดตั้นเจออันนี้เป็นวัติกรรมที่วัตถิกรรมที่เป็นกุศลโอ้ในายละเอียดต้องไปทําความเข้าใจนะบางคนแยกไม่ออกนะพูดเท็จกับส่อเสียดไปแยกไม่ออกนี่คำว่าพูดเท็จเนี่ยพูดส่อเสียดมีเท็จได้ไหมเสียดเท็จได้ เช่นคนเข า, เาคนเขาไม่ดีคนเขาไม่ใช่เป็นคนดีนคนที่เราเราเร า, เราต้องการได้สองคนนี้เขาแตกแยกกันใช่ไหมยอมทุกครันงก็บอกไปบอกเขาไมา่ท่านไหนด่างเงียบเยอะสมมตรไดจยินท่านนายไม่ได้ด่า การพูดแบบนี้พูดเดไหมพูเถอ่าไปบอกท่านไหนบอกว่าท่านไนเมื่อวานเนนรด่าท่านยักเยินโอ้โหีกรณีแบบนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้คนสองคนเขาตกตไอ้กรณีอย่างนี้นนเาขนเนาเรียก ส, ส่อเสียดนะพูดใคนทะเลาะกันแต่ถ้าลักษณะ น, น, นี้เขาเรียกว่าจกรที่เป็นอภิษณเป็นกร ค, คที่พูดส่อเสียด ถ้าวัดเหตุนนการณ์พูดส่อเสียดต้อพูดยังไงพูดให้สองคนนีเก็เกิดสมัครสมาสมัครีค ร, ค ร, ค ร, รักปลองด อ, องกันนี่เป็นต้นมองเห็นหรือยังส่เสียดนี้ไม่ใช่เสียดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าไม่พูดส่อเสียดก็แปลว่า้คนเขาทะเลาะ ก, กันไงให้คนสองกลุ่มทะเลาะ ก, กันยังพูดภาษาการเมืองแย่งกันไปแย่งกันมาขัย้งทะเลาะ ก, กันจากไม่เล่าหรือให้มันเล่าลึกเลยวิธีการแบบนั้น อย่างสังคมไทยชอบใช้กันน่ยที่สอเสียดชัดและกรรมที่สอเสียดเนี่ยโอ้วิบัติวิบัติเยอะอย่างหนึ่งพูดเสียสีเขาใครจะไปเลอเลิศใครจะไปเก่งเท่าท่านไม่เคยมีใครเก่งเท่านี้มาก่อนเงี้ยเป็นเสียสีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดยกพูดยกเกินจริงใช่ไหมงัม้นก็ถามว่าในขณะที่เราพูดเนี่ยพูดด้วยจิตยังไง จิตกรดไม่พอใจใช่ไหมมันก็จัดก็อยู่ในไหนหยา yeah. แล้วถ้าพูดเสียม<น>สองยกไปหยาบนะไอ้เทวดาเอ้ยแล้วกรธ ด, ด้วยแล้วพูดคำนี้ด้วยเป็นอะไรคำยากครับแหมจัดว่ายาบการที่ยกให้เป็นเทวดาเนี่ยอะไรจริงๆเป็นมนันก็ถูก กดนี่ก็แลยพูดยกให้สูงขึ้นเกินจริงใช่นะพูดกดลงก็ได้สุษนักเอ้ยกดไหเนี่ยกดที่ต่ำแต่วากสรกดเพื่อนปราาก็ถึงแล้ถ้าพูดเพิ่เจอแล้วพูดหาสารพูดเป็นชั่วพูดตลอกอะไรเนี้ยครับขเพิ่เจอ พูดเรื่องโนบเรื่องหนูเรื่องมาพูดไปเรื่อยาส า, า, าระแกนสารไม่ได้ไม่ได้กุศลอะไรเราพูดไปใจที่ผุงสัน้นระบาย้คงเคนะดเสือเจอนีวักรรมที่เป็นอกุศลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดจริงนะถ้าเดี๋ยวจะจะเจาะตรงนี้ยจะเจาะให้รายละเอียดอาจจะเป็นภาคบาง ท, ที่เขาเจาะรายละเอียดนดะ้ถ้าจะเจะาะจะอะอย่างเป็นยังไงจะะไอย่างเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอามา สามารถบอกรายละเอียดได้หมดทุกอ่างนะเป็นกรรมอย่างไรเป็นผู้สนยังไงให้ผลยังไงสามารถบอกได้ไหมพูดกดกันยังไงพูดยกเป็นยังไงพูดข่มเป็นยังไงนี่ทีนี้พอจาแนกอย่างนี้ในกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมเนี่ยกรรมอะไรหนักที่สุดกรรมที่ทำทางกายกรรมที่ทำวาจากรรมที่ทำทางใจ กรรมทางไหนที่หนักที่สุดเ<ช>คื่ อ, อถึงกรรทางกายครับทางกายหนักแน่นเลย<ม>อ้าว่ารมวจีนามาโนกับจริงๆแล้วในบรรดากรรมเหล่านี้เออในคำสอนของกลุ่มนิครเนี่ยเขาจะบอกว่ากายกรรมเนหนักสุดอือเพาะกายกรรมหนักสุดแต่พระพุทธเจ้าบอกความจริงอันนั้นเป็นความเห็น คำกายกรรมหนักสุดก้อนหมิ่เนื้อถือปืนไปฆ่าเขาไปแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่หนักสุดคือมโนกรรมมโนกรรมมันหนักยังไงเพราะมโนกรรมเป็นตัวกําหนดทั้งหมดเป็นตัววางแขนทั้งหมดเป็นตัวกํากับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดความสำเร็จหรือไม่สำเร็จทั้งหลายเนี่ยมโนกรรมเป็นตัวกําหนดทั้งมดกายกรรมอีกีกรรมเป็นเพียงตัวถูกผักมาจากมโนกรรมอีกทีเป็นได้แค่ลูกน้องไอตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหมือนเราจินตนาการว่าเราจะทำที่ตรงนี้ให้ล่าบเป็นหน้ากองเลยมันต้องคิดไหมมันต้องคิดต้องวางแผนไหมต้องเอาระเบิดขนาดไหนใช่ไหมมีมีน้ำหนักขนาดไหนมีแรงทำลายล้างขนาดไหนที่จะสามารถทิ้งลงบอมลงในสารที่ตรงนี้กินพื้นที่บริเวณ10ดโเมตได้โอ้โหเนี่ยต้องคิดต้องวางแผนกาหนดกเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมโนกรรมเป็นตัวกำหนด ในส่วนกายกรรมวิตีกรรมหรือวิธีกรรมท่างๆเหล่านี้ยถูกคอนโทรลด้วยมโนโกรรมใช่ไหมฉะนั้นมโนโกรรมจึงเป็นกรรมที่หนักที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนี่มโนโกรรมฝ่ายชั่วแม้มโนโกรรมฝ่ายดีก็เหมือนกันในกรณีที่เราต้องการในสภาพสังคมที่เนี่ยสมัครสมานสามคัคคีอยู่กันด้วยความปองดองรกักใคร่กันเป็นอยู่ยางไรเปร์เซ็ น, นก็คิดควางแผนวางระบบจัดการขึ้นมา จะตั้งโรงเรียนยังไงตั้งวัดยังไงตั้งชุมชนยังไงให้ดูคนที่ศึกษาเราเรียนจะยังไงให้มีข้อมูลความรู้ที่ดีงามยังไงใช้มโนกรรมไหมเป็นตัวกาหนดความแผลก็มโนกรรมเนี่ยเป็นตัวควบคุมกาหนดความแผนทั้งหมดแล้วในที่สุดความแผนกีปีระยะ1ระยะ2ระยะ3 5ปีเราจะทำสถานที่ตรงเนี้ยให้เป็นชุมชนที่สวยสดงดงามโอ้โหสร้างสรรค์แบบนี้ใครวคิดมโนกรรมเนี่แหละ ควาทางใจนี่แหละเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์คิดปกตองแต่งสั้นสั้นอันนี้หนักสุดเลยใช่ไหมหนักสิหนักทั้งดีก็ได้หนักทังไม่ดีก็ได้แต่อย่างทางทางโลกครับเขาผมผมเรียนกฎหมายครับบอกว่าคิดจะฆ่าอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพียงแค่คิดครับไม่มีโทษแต่ถ้าบอกพูดออกมาว่าฉันจะฆ่าฉันจะแทงอันนี้ก็ยังเพียงแค่พยายามยังไม่มีโทษก็มีโทษมีโทษน้อยแต่ถ้าแทงไปเลยเป็นการกระทำแล้ว อันนี้มีโทษทางทางโลกมองว่าอ่าเป็นทางกรรมทางการกระทําจะมีผลชัดแล้วก็หนักสุดครับต้นไ ม, ตนไม้ต้นไม้ที่เราเดินเดินไปเนี่ยเวลามันหกักใส่หัวเราต้นไม้มันบ่มต้องเอาต้นไม้ไปติดคุ้มไหมต้องไหมไปกอเพราะอะไรมันมันไม่มีเจตนามันไม่มีใจมันไม่มีใจเป็นโดคอร์ แต่ไหมกรณีที่คิดว่าคิดจะฆ่าจริงอยู่ทางโลกเขามองว่ามันไม่มีผลมันไม่มีโทษตามกําหนดกฎเกณฑ์ว่ามันจับต้องไม่ได้ไงพูดออกมาไปเสร็จมันก็ยังไม่ได้กระทําจริงๆแต่ถ้าไปทำจริงจริงเนี่ยมันถึงถึงมาจับตรงนั้นแต่จริงๆริอย่าไปบอกว่าทางกายกรรมมันมีโทษมากแต่อีตัวเบื้องหลังของการกระทำเนี่ยคือใจใจมันคิดวางแผนไว้แล้วยังจะมีไปแทนกระท่อมเนี่ยมันคิดหลายร้อยรอบหลายพันรอบหลายหมื่นรอบ มีการวางแผนมีการปาดตะเดียมีการอะไรเยอะหรือมาอย่างนั้นก็คือว่ามีแดนบันดานโทสะอะไรก็แล้วแต่นั่นมาจากใจที่มันโกรธอย่างแรงมึทงทำอย่างนั้นเร า, าได้อถ้ามองอีกอย่างนึงคนที่มีฤทธิ์เนี่ยอานุภาพอนะมีอานุภาพทางใจเนี่ยเขาสามารถบรรดาล น, นี้ที่ตรงเนี้ยเออ่พังก็ได้หรือทําให้มันทําให้มันเกิด สวยสดล้ยาวขึ้นมาก็ได้เนะ น, นี่ยใจล้วนๆเลยไม่ต้องกายไปทําด้วยถ้ากายต้องใช้เวลาเยอะฉะนั้นมโนกรรมเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังกระบวนการความล้มเหลวความสําเร็จ ก, การสร้างสารรค์หรือการทําลายนั้นมโนกรรมจรึงเป็นกรรมที่ใหญ่จึงกรรมที่มีอนุภาพมากโลกใบนี้ประเทศนี้ที่เป็นอย่างเนี้ยจะเป็นสร้างสารรค์หรือทําลายจะเจริญหรือเสื่อมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมโนกรรมล้วนๆ ความเห็นผิดความเห็นถูกที่มันเกิดร่วมกับจิ ต, ตล้วนๆเลยเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์เป็นความกรุงแต่งเป็นกระบวนการความคิดในการโผล่ต้องคิดแล้วคิดอีกเอาไปวางระบบออกมาแล้วก็การกระทำทีมาที่หลังทําพูดทํากายกระทำทงมาที่หลังไอ้ตัวใหญ่จริงๆเนี่ยคือมโนกรรมนู้น<ม>แต่ถ้าเราจะมาวัดเอาผลด้า น, น, น, นกฎหมายก็ว่ากันก็ถูกแล้วมันไม่สามารถจะไปจอดโจมว่าอันนี้มันคิดยังไงไม่คิดยังไงมนโนกรรมเป็นยังไงอย่างเงี้ย ใช่ไหมล่ะแม้แต่ในด้านของการกระ ท, ำทํำตังเหตัวดริงแม้แต่กฎหมายเนี่ยฆ่าโดยไ ต, ต่ตองไว้ก่อนจับฆ่าโดยบนนรรดาโัวสารเนี่ยมันโทษต่างกันเลยใช่ไหมจริงๆก็พยายามจะให้เหยีดผลว่าเอ็งมันโงกรรมเนี่ยนะมันสำคัญจริงๆแล้วใช่ไหมรักโดยไต่ตองกับ ร, รักแบบไม่ซึ่งหน้าเนี่ยมันต่างกันเลยเห็นไหมไอ้กรณีแบบเนี้ยหรือแทงคนอื่นเนี่ยชบคนอื่นเนี่ยได้ไ ต, ต่ตองกับไม่ได้ไต่ตองไว้เนี่ย ผมผมไม่ได้ไต่ตอไว้ครับผมหมั่นไส้ตอนนั้นผมย้ำย้ำย้ำไม่ถูกเลยตะบันหน้าไปเนี่ยแต่ผมคิดไว้านานแล้วครับผมวัดรอจังหวะมันหลายรอบไปเนี่ยวันนั้นจะจัประสบความสำเร็จถามว่าเวลาก็จะลงต้นเนี่ยสองคนเนี่ยก็จะลงโทษเท้ามากกันไตตอตอไอคนที่ไต่ตอไอคนใช้มโนโกรรมมากนั่นแหละเขก็ลงโ้นได้มากใช่ไหมล่ะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเน้นมโนโกรรมมั น, ม, นมันมีกําลังมากกว่าทั้งดีและไม่ดี ทั้งความดีแล้ไม่ดีทั้งลายเหมือนคนบางคนบอกว่าถามว่าสำเร็จจบจปรอมามันยมเนี่มันจยมโนกรรมไหมเออมานจะคิดมันจะจะชอบมันมาจะใจรักคิดแล้วคิดอีอะมาว่าเป็นทหารก็พยายามทำทุกอย่างเนี่ย วันนั้นเจะ อ, อยากจะได้เป็นร้อยตีร้อยโทร้อยเอกพันตีพันโทรพันเอกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมโนกรรมทั้งนั้นแหละเพราะงั้นเดี๋แต่ไกายกรรมวจิกรรมหรือพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ถูกอะไรถูกมโนกรรมเป็นตัวกํากับอีกทีหนึง่งแต่พอทําออกมาเขาจะเรียกกายกรรมแต่พอพูดออกมาก็เรียกวิจีกรรมแต่พอทํากายไว้ถ้าไม่ทํามไม่พูดออกมาคิดนึกอยู่ทางใจก่อ น, นก็เรียกมโนกรรม ไอตัวโมนโนกรรมยิงใหญ่มากเป็นภาพมือมาเป็นตัวคอนโทรลกาหนดชะตากาตรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวคอนโทรลกับของสัตว์ทั้งหลายเลย mm hmm. นั่นนึกว่าไอตรงนี้มันเป็นตัวชี้ลงไปว่าจะจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรมมันชอบหรือมันอยากจะเป็นหรือมันจำใจต้องเป็น จะเป็นชาวสวนก็เพราะกรรมพเมพราะเจตจานงเพราะความจงใจเพราะความตั้งใจที่จะเป็นใช่ไหมยอยากเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมอีกแหละใช่ไหมจะเป็นลูกจ้างก็เพราะกรรมเลยอยากจะขับแท็กซี่ก็เพราะกรรมเปนเจตนาเนะะี่ยอยากจะขับอูเบอร์ er, อยากจะขับแกล็ก็เพราะไอเจตจานงความจงใจตั้งใจนี่แหละอยากจะมีฮอนด้าสักคันหนึ่งไอเจตนาไอตัวกรรมตัวกําหังคอนโทรลนี่แหละเป็นตัวกววำกับเห็นไหม จะเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นปลักเป็นรัฐมนตรีเป็นขะกรรมขปกรรมนี่แหละก็เจตจานงก็ความจงใจก็บยผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเลยไม่จริงไม่จริงหรอกมันตั้งใจอาจจะตั้งใจตอนไหนก็ว่าไปแต่ถ้ามันไม่มีเจตจำนงมันไม่เป็นหรอกตอนให้เขามาเชิญได้เป็นนายกพอมาเชิญปับเอานี่เลย ใช่ไห ม, มเดี๋ยวนั้นก็ได้เพราะมั น, ม, นมันมีความจงใจตั้งใจจะต้องเป็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นอีกไม่ก ร, รมเจตนาเนี่ยที่บอกว่าเจตนาเป็นตัวกรรมบุคคลมีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจแล้วจึงคิดจึงทําจึงพูดออกมาก็จะยังมีเจตจํานงอยู่เบื้องหลังแล้วจึงทำจึงพูดจึงคิดออกมาหรือจึงคิดจึงทำํำจึงพูดออกมา นะพอมีเจตจำนงปุ๊บเจตเจตนาก็ไปปุ่งแต่งสัมยุตตะธรรมเพื่อให้ทําหน้าที่ของตนของตนเอาแล้วเจตนาไปปุ่งแต่งอะไรหนปะ็นกระตุ้นอะไรไปกระตุนะะต้นเวทนาให้ทำหน้าที่สวยสดของอารมณ์เป็นกระตุ้นอะไรสัญญาจําเป็นกระตุ้นเอกกตาให้ตั้งมั่นไปกระตุ้นอะไรภาษาให้กระทบไปกระตุน้นวิตกให้ยกสัมยุต ไปกระตุ้นวิจาร์ที่เขาขึ้น อ, อรนน า, มา ร, ารามเป็นกระตุ้นฉันทากให้มีความปรารถนาในอารมณ์ไปกระตุ้นโลภะให้มีความโลภเป็นกระตุ้นโทสะให้มีความโกรธเป็นกระตุ้นโมหะให้มีความลังเลสงสัยุผงซางนั้นเจตจำนงเนี่ยเป็นกระตุ้นเตือนสมยุดตธรรมเหล่านี้ให้ทําหน้าที่ของตนของตนและทํากิจเห็นไหมเจตนาที่เป็นตัวกรรมแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเจตนาอย่างเดียวเป็นกรรมไม่ได้ไม่ต้องมีองค์ประกอบอีก แค่ตัวเขาตัวเดียวไม่ได้มันจะต้องหาบริวารหากลุ่มหาพวกมันเกิดร่วมพอร่วมไปเสร็จพวกมันจึงมีองค์ประกอบเมื่อมีองค์ประกอบอันนี้มันจะก็ผลักดันกระบวนการความคิดพฤติกรรมคําพูดออกมาก็เลยสําเร็จลงเป็นกรรมทา้งกายกรรมบ้างทั้งวิีกรรมบ้างแต่มันสําเร็จมโนกรรมก่อนมโนกรรมสมฤทธิ์ผลก่อนมันปรุงแต่งจนสําเร็จผลออกมาก่อนมันจึงผลักดันกายกรรมวิญญกรรมหรือพฤติกรรมของเราสัตว์ให้เป็นไปตามเจตจํานงนั้นๆความจงใจนั้นๆ โอ้ oh, เรื่องใหญ่มากเรื่องกรรมเป็นแบบนี้เรืเหมนนี่อันนี้ไม่ใช่จัดบุคคลนะเรื่องของสาพวธามไม่ต้องเจตนาล้ว น, นเจตนากัสบสมาพวธามล้วนนี่เป็นต้นทีนี้ oh, วันนี้คนหลักการเยอะมต่อเมื่อจำแนกไอ้ครบตามหลักแล้วเนี่ยก็จะมีกรรมกรรมเป็นหกทางนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ละอย่างที่เป็นอกุศล ใช่ไหมพบเป็นถามหรือยังอกุศลกรรมไหมกายกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลมโนกรรมที่เป็นอกุศลนี่สามกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลอีกสามเป็นเป็นหกใช่ไหมเป็นหกแล้วทีนี้แต่ละวันแต่ละวันเราทํากรรมันตลอดไี่เนี่ยตลอดทำตลอดเลยอ้าวนางความธรรนีังเป็นกายกรรม ที่เป็นกุศลวัตถิกรรมที่เป็นกุศลหรือมโนกรรมที่เป็นกุศลก่อนอาทะนังนิ่งนิ่งปังมโนมโนกรรมเป็นกุศลแล้วกุศลกุศลมโนกรรมาทนังแล้วหรอเปล่อเป็นอุศนอาเป็นอกุศสน่ไหมตะถีนนิทธาเข้าเป็นอกุสสแล้วมันมีถีนนิมธเข้าบ้างเป็นสลับบ้างอย่างเงี้ยอภิสุทอ่ามันเป็นก็เรียกอะไรนะก็เรียกว่ากรรมทั้งดำและขาวใช่ค้าเข้าไปตลอดเวลาใช่ไหม ถ้าทํากรรมประเภทนี้เวลามันให้ผลจะให้ยังไงเห็นบ้าบ้าอนุ่งการให้ผลก็เป็นคนที่ไม่เคยสมประกอบคือมันไม่สมบูรณ์ ม, มีหน้าตาก็ไม่สมบูรณ์มีบุคลิกภาพก็ไม่สมบูรณ์คือมันมันไม่มันไม่ปิ้งุกจัสดส่วนนะสภาพจิตใจก็เองประกอบไม่ครบเออเรียกว่าแต่ทําไม่ยากเลยลองทํำดูดิ เวลานั่งฟังธรรมแลม้วเราจะให้บาปให้ผลในขณะที่ฟังธรรมเลยนะตั้งใจจะเนะี่ยอยากจะพิสูจน์ก็ทํำนะว่ามันกดความจริงข้อนี้มันจะให้ผลยังไงมันจะกลายเป็นอะไรเราจะให้ผลลักษณะรู้เรื่องบางมันรู้เรื่องบา ง, ง, บางความความไม่ฉลาดมันจะเริ่มตามมาแล้มันจะให้ผลแน่นะนณะนะนะปัจจุบันนี้ก่อนเพราะกรรมนี้ให้ผลทําจะเป็นอัตยารัยความเทนัยโมหะ มันมีท้าเขากุ้งรุงเรื่อยอย่านี้นะทำนี้วิธีการหนึ่งนั้นถ้าใครปรารถนาอยากจะได้เป็นมนุษย์เทวดาบ้าบ้าบ้าไปเบ้าบ้า บ, าบาอดหนวกเขาทำแบบนี้ถ้าอยากจะเป็นคนแบเนี้ได้เหียสองวาฟังธรรมะอย่าไปอย่าไปจะ ไ, ไ, ไปคิดอย่าไปตึกอย่าไปไขว้คว้มันเกิดปัญญาหเข้าใจความศักด์แต่ว่าความแต่ความเนี้ย ฟังอย่างเงี้ยฟังแบบตาใสๆเงี้ยอะไรก็ได้ลับๆล ๆ, ๆมาแค่นั้นนะแล้วไม่ใคร่ควรต่อไม่มน้สการต่อให้เกิดปัญญาเราฟังไปเรื่อยๆฟังเหมือนคนเต็มแล้วอ่ะหรือว่าไม่งั้นก็คือฟังเหมือนแบบว่าสั่งแท่ให้สถานการณ์นั้นมันผ่านไปโมเชื่อม่มีไม่ใชม่เชื่อมีสติๆๆๆๆๆอยู่นะฟังอยู่ทุกทีพยายามที่จะฟังนะแต่ไม่พยายามในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะฟัง ไม่พยายามจะให้ปัญญาเกิดไม่พยายามที่ทําความเข้าใจทุกช็อตทุกสถานการณ์ถ้าทําแบบนี้กรรมประเภทนี้จะทําให้คนได้เหตุสองคือไม่โลภ ก, ก็ไม่โกรธแต่จะไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าต้องการอยากจะทํากรรมที่ประกอบไปด้วยเหตุสามนะืยามความไม่โลภให้เกิดขึ้นด้วยยามความไม่โกรธให้เกิดขึ้นด้วยยามสภาพจิตที่โปร่งใสที่ตั้งมั่นให้สะอาดเียือกหงให้มีความเชื่อมั่นด้วย มีความแปรี้ยวกลาห า, านในขณะฟังด้วยมีสติกํากับทุกช็อตทุกขั้นตอนด้วยมีความตั้งมั่นจริงจิตในขณะฟังด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาคิดอ่านไปตามคำสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากสุดตราก็เนี่ยนั้นได้ปัญญาได้ความเข้าใจได้ความลึกซึ้งในการฟังในขณะนั้นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นผ่องใสในการฟังเอเวอเนเนี่ยถ้าเป็นรักนณะนี้กรรมประเภทนี้ท่านทั้งหลายกําลังทํา กรรมที่ประกอบไปด้วยเหตุ3มคือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาทุกๆขณะทุกขั้นตอนที่ฝัากรรมประเภทนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมากคิดอ่านอะไรรวดเร็วมากทะลุทะลวงอะไรได้อย่างชัดเจนมากนี่เหตุเป็นความเป็นผู้มีปัญญาอันก็เลือกเอาจะเลือกแบบปัญญาอ่อนถ้าทําแบบหลับหับตื่นตืน่มีบาปก็แทรกบ้างอะไรบ้างมุ่นวายหรือมุ่นลึกลงนี้ว่าอยากจะทําปัญญาแบบไปทำกุศลแบบประเภทมีเหตุแค่2องพอไม่โลภ ไม่โลดไม่โกรธแต่ปัญญาไม่เอาไม่ได้ในความเชื่อเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงจังมีเจตนาดีแต่ความเข้าใจไม่่วพ อ, พอทุกเรื่องอะไเรืเนี้ยจะทำอะไรหูทั้งใจมุ่ง ม, มั่นมากเลยแต่เจตนาดีหมดเลยแต่ปัญญาไม่ถึงสักเรื่องหรือต้องการอยากก็เจตนาก็ดีเลยปัญญาถึงด้วยก็สร้างเหตุปัจจัยนี่เขาเรียกว่าการทํากรรมนะทุกคนเลือกตอาที่จะเป็น ไม่ใช่มีใครมาโดนนานเราต้องเป็นผู้กำหนดเน่ยมีความกำหนดชะตาชีวิตของตราเองในการต่อไปได้จะปราศนากไจะทำยังไงก็ก็แล้วแต่ ness, so บุคคลทั้งหลายปราศจานที่จะทำพอชัดเจนไหมจะทำแบบหลับๆตื่นๆก็ได้ประเภทีอคุสนแทบเป็นระยะระยะเื่อเราสามารถปล่อยมันแทบไปต่ออัน <researchers> นี้ <laten> <traditions> ไม่บังคับกันแล้วแต่ใครจะเลือกเส้นทางเลยแล้วก็มุ่งหมายว่าอยากจะให้ตัวไหนเด่นก็ทำอีกอย่างนี้ก็คือจำแนกยังไงจำแนกไปตามกรรมตามสภาพที่มันสัมพันธ์กับวิบากและการให้ผลได้บอกไปแล้วคือกรรมดามีวิบากดำกรรมดามีวิบากดำก็คือกายสังขารมจีสังขารมโนสังขาร ที่ที่มีการเบียดเบียนตัว อ, อย่างก็คือเช่นปานาติบาค่าสัตว์รักทรัประพฤติในการนั้นค่าสัตว์รักษรัประพฤติในการเนี่ยกรรมที่ทําในลักษณะอย่างนี้ก็เลยเป็นกรรมดำใช่ไหมเป็นอกุศลกรรมและก็มุสาวาถถึงสราญวิลายเป็นต้นเนี้ยกรรมเหล่านี้เป็นกรรมดํามันจะมีวิบากําวิบากดำก็คืออบายดุจปฏิวิบาร์ในในการตอ มองเห็นไหมีกรรมดามีวิบากดนมีเป็นอสรกรรมล้วนนกรรมขาวมีวิบากขาวการยสังขารวิจิสังขารจิตตสังขารก็คือกายกรรมวจิกรรมโนกรรมเนี่ยที่มีการเช่นวดเว้นจากการฆ่าวดเว้นจากการรักางเป็นต้นะนี่ดเวนการระพฤติกางกรรมดเว้นจาการพูดเจเสเสียยาเป็นกายยสุดจริวจิสุจริญโนสุจริเนี่ยลักงเนี้ยนี่เป็นกรรมขาววิบากขาวคือสุติโลกสวร์ อันนี้ชัดนี่ยแบ่งชัดเลยทีนี้ประการที่สามบอกกรรมทั้งดํำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวค่าเข้ากันไป อ, นนอันนี้สลับคนชอบทํากรรมสลับทั้งกุศลอกุศลกุศลอกุศลสลับกันโดยมากเราเป็นแบบนี้ไหมมีวิบากทั้งดำและขาวค่าเข้ากันเวลาจะทํากุศลปุ๊บก็มีอกุศลแทรกจะทําอกุศลก็มันแทรกกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เสถียรว่าเป็นขาวจริงจริงเป็นดําจริงจริงเลย เรียกว่าเราเป็นแบบนี้ไหมกรรมกัมดามน้กขาวคาท้าบางคราวมันน้าใสบางคราวมันน้าขุ่นน้ำขามเนี่ยสลับกันอยชีวิตที่ดาเนินไปเป็นแบบนี้ตลอดไหมเป็นได้เมีวิบากกัมดาขาวาบางครั้งกับรกระบายุติธมบางทีเราเป็นสุขติเราบางครั้งก็หนกายยาตุจลิทธวจีตุจริทมโนตุจริทบางครั้งกกายยาสุจริทวจีสุจริทมโนสุจริทมันคาท้ามันอันไหนมากกว่ากัน อันไหนมากกว่านันวันวันหนึ่งเนี่ยระหว่างสุดจริตกับทุจริตเอามโนสุดจริตกับมโนทุจริตอันไหนมากเลยไม่โลภไม่โกรธต้องมีปัญญากับโลภ โ, โกรธโกรธโกลนะไม่มีปัญญาอันไหนมากเลยหรือพอพๆกันพอๆกันพอหยุดฟางธรรม ะ, ะปุ๊บกุศลมันเดินต่อได้เลย ห, หรือว่า มันหยุดนิ่งเลยเพลินไปก็เรื่องบาปยันอภิสวรรค์เป็นเยอะไหมกรรมดํากรรมขาวเท่ากันเยอะไหมเป็นแทบตลอดมันหยืนบางคนกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปด้วยความเส้นกรรมอันนี้ได้แก่การโคดชงเจ็ดมรรคแปดการเจริญสติปัฏฐานสมบัติทานอิทธิบาทอินทรี่์พระโคดชง เนี่ย น, นี่ก็คือว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้กนกรรมเริ่มเห็นไีมอ่ะทีนี้เอาอะไรแต่นเนี่ยเป็นมรรคกรรมในตรงเนี้ยหมายความว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติจำมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะฝึกตนเองตามคําสอนตามศีลสมาธิปัญญาตามสมาธิถี่เป็นตน้นเนี้ยนะอย่างที่ว่าวมาวานี้พูดถึงสมาธิถี่สมาสิกปรัชสมาวิจาสมากรรมตัด สัมมาอาชิวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิต้องการจะเดินพฤติกรรมมีเป็นไปกระสีสภาวะจิตใจเป็นไปกระสมาธิทัศนัความเห็นให้เป็นไปกับปัญญาพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพทั้งหลายเหล่านี้ก็ให้สัมมาวจาสมมากรันตากสัมมาชิวะเป็นตัวกงกับทางใจก็ให้สัมมาวายมะสัมมาสติสมาสมาธิเป็นตัวกำกับทางด้านทัศนัความเห็นก็ให้สมาทิจิตเป็นสมมาสังกัปปะเป็นตัวกำกับถ้าเดินเนี่ยเป้าหมายคือก็ต้องการพ้นจากเครื่งกองทุกข์ ในกรณีอย่างนี้ก็แล้วกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพราะความสิ้นกรรมเราเป็นแบบนี้เราเป็นอกลุ่มไหนในสี่กลุ่มเนี่ยหนึ่งกลุ่มกรรมดำให้วิบากดำสองกลุ่มกรรมขาวให้วิบากขาวสามกรรมทั้งดำและขาวมีวิบาก ท, ทั้งดำและขาวคลาดเท่ากันสี่ ก, ๆๆ 4, กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพราะความสิ้นกรรมเอาเลือกให้เลือกอนะสี่แนวทางมีจะเลือกทางไหนสี่ครับ มันเป็นข้อที่สี่ใช่ไหมคงเป็นมันเป็นแต่มันเป็นเนี่ยเป็นหรื อ, อยังถ้าเป็นก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ความจงใจตั้งใจอย่างติดต่อและต่อเนื่องมีการสมาทานความเข้าใจตรงนี้เป็นระย ะ, ะยๆไม่ยอมไม่ความรู้สึกเหล่านี้หลุดลอยไปจากใจ ม, มีอุดมการณ์ตั้งมัน่นเหมือนปราถนาอยากจะเป็นทหาร กอนหน้านั้นที่กําลังเรียนอยู่มีใจรักอยากจะเป็นทหารคิดทุกวันเรียนไปก็ตั้งใจไปเรียนไปก็ตั้งใจไปไม่ทําให้ตนเองหวั่นไหวเลยเม้่แต่คนมาใี่เป็นหมอมัไม่เอาเขาจะชวนไปเป็นข้าราชการอย่างอื่นไม่เอาเขาจะชวนนี่เป็นพ่อค้าไหมครับไม่เอาจะเป็นครูก็ไม่เอาจะชวนไปเป็นประหลัดนายพลไม่เอามันชอบทหารเนมุ่งมั่นทางเดียวนี่แหละมันจะต้องไปสอบมันได้จะต้องเป็นให้มันได้อ้าวนี่เหมือนกัน เราบอกเอาแล้วฉันต้องการเป็นพระอญญาริยะเราต้องการพ้นทุกข์เราจะเดินตามเส้นทางแห่งมรรคกรรมนี่แหละว่างั้นไงก ร, รมที่ไม่ดาไม่ขาวมีวิบาที่ไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเมื่อความสิ้นกรรมไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทั้งหลายมันมันน ส, สิกามีใจรักในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ทําจริงๆจงใจจริงๆที่จะเป็นแบบนี้ทำได้ไหมทาได้ไหมล่ะไม่ใช่พพอเรียนสบแล้วก็ ไล่วิธีกรช้าไปตัวเอาไงดีเนี่ยสิกรรมดําวิบากดำกรรมขาวมิบากขาวกรรมดํากรรมขาวเียวชัเข้ากันกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปความสิ่อกรรมตกลงยากทาไหนอะสี่าเนี่ยให้มันชัดห้ามมันต้องเลือกได้ทางเดียวทุกวันนี้มันก็ทําอยู่แล้วกรรมดํากรรมขาวอะ มันค้าเท่าอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วขยายยังเดี๋ยวก็ทําดีเดี๋ยวก็ทําไม่ดีอยู่นั่นแหละตกลงเราจะเอาเส้นทางนี้ใช่ไหมถ้าเอาเส้นทางนี้ไงมันชัดลงไปว่าาจะเป็นอย่างนี้แหละต่อไปแล้ววิบากเวลามันสวยขึ้นมาก็อย่าปนเวลามันประสบความโชคดีขึ้นมาก็อย่าดีใจอเหลืองใช่ไหมยามได้ลาบก็ให้นึกในใจนะเดี๋ยวก็เสื่อมได้ยศเดี๋ยวก็เสื่อมยศ นินทานเดี๋ยวก็กระแสเสริญกระแสเสริญเดี๋ยมันทาตอนนี้ได้ความสุขเหรยวกระทุกมันข้าเข้าแน่เพราะอะไรเพราะเราทํากรรมดากรรมขาวข้าเ ข, ข, ข, ข้ากันมันจิ้มให้วิบากได้ไม่แน่นอนเลยถ้าไหยังก็เราดําเนินชีวิตอย่างนี้เราเพรต้องประสบโลกกระทำแบบนี้แหละตกลงเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีหรือต้องการจะดําเนินแบบนี้หรือมันมันดีสนุกดีมันโอเคดีก็ก็ไม่ว่ากันตกลงเอาอยัางไง เพราะจริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนเส้นทางไหมถามใจตัวเองนะให้ข้อมูลที่เยอะกว่านี้แล้วก็ถามว่าจะเปลี่ยนเส้นทางหรือไม่เปลี่ยนหรือชอบแบบนี้มันสนุกดีบางคราวก็โดนด่าบางคราวก็อิจฉาบางทีก็โดนบ่นบางทีก็บอกว่าชอบอะไรเงี้ยนะก็เราทำคำนำคำข่าวแล้วปัจจุบันเราก็ทําบนี้ตลอดอฉะนั้นเมื่าทำดีกุศลมันได้ผลก็ดีไปอกุศลได้ผลก็ กรทุกก็ผิดหวังไปนั้นสมหวังผิดหวังมันเกิดตลอดไหมเพราะเราเดําเนินตามทางที่สามทีนี้เราอยากจะพ้นอยากกรรำเหล่านี้ไหมหล่ะทั้งกรรำดำกมขาวกำดำดำกำขาวอยากจะพ้นไหมเป็นไปด้วยความตัดกรำเหล่านี้ไหมก็เดินมาค่ะกำรรสิถ้าลังเล่ไม่แน่ใจมันเป็นสภาพจิตตัวไหนหรือจิตฉาหรือโมหะ โ ม, มหะเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลเหตุลล <_ S 2> ผลที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรพ<ม>ข้อมูลไม่พอแสดงว่าที่ฟังมาแต่ข้อมูลไม่พอปัญญามไม่ถึงการตัดสินใจเนี่ยมันจึงไม่ชัดฉะนั้นถ้าให้ปัญญาให้ข้อมูลให้สุดตาให้ข้อมูลให้เพียงพอต่อการที่จะเป็นองค์ประกอบให้การตัดสินใจอะไรปุ๊บเนี่ยมันมันแน่นอนงั้นก็เข้าไปฟังเข้าไปศึกษามันให้ชัด จนในที่สุดจริงๆจนทําลายวิจิๆๆๆตรฉาในกระแสชีวิตในใจได้เมื่อไหร่ตอนนี้มันจะไม่ลังเลอะไที่มันลังเลทุกวันนี้ข้องมูลหายนี่แหละนะมันได้ข้อมูลแบบแล้วก็บางทีมันไม่อยากเอารับข้อมูลนะมันกลัวอะไรกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะมันเดินทางนี้มาจนชํานาญแล้วเดินชำนาญแบบประเภทลังเลลังเลแบบเนี้ประเภ มันรู้สึกว่าแมจะให้เราทำดีตลอดมก็ไม่ได้ขอทำไม่ดีสลับบ้างให้มีที่พักข่อนหายใจมันอยากจะมันอยากจะอยากจะชั่ว บ, บ้างรู้สึว่าแมอยากจะให้เจริญสติตลอดก็อยากจะมีความคิดเพืิดเพ้นปล่อยใจสนุกสนาน่อยากจะดูหนังฟังเพลงบ้ากไม่ใช่มามาเคร่งเครียดกับการสวดมนต์ไหว้พระ แท้จริงนคนละเรื่องแต่ความเข้าใจจริงๆเนี่ยเวลาไปดูหนังไปฟังเพลงมันกลับกลายเป็นว่าดูเป็นกรณีศึกษาถ้าดูเพื่อเสพต่างกันแล้วจะเนีน่ใช่ไหมถ้าดูเพื่อเสพเนี่ยมันจะเอาชอบใจไปชอบใจใช่ไหมมันสนองอากตารตัวตนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องการไม่อยากดูถ้าดูเพื่อศึกษาเนี่ยมันต้องการกระบวนการเรียนรู้ ต้องการศึกษาต้องการได้ปัญญาในการไปวิจัยแยกแยะในเรื่องนั้นจริงจริง น, นี่ไม่ใช่เป็นแค่สมดุล น, นะมันเป็นกรณีการศึกษาอย่างแท้จริงโอ้มันกลายเป็นเรื่องปัญญาในการที่จะดูหนังอ่าดูในกรณีสร้างยังไงหนังเรื่องนี้เออลองสร้างมันหลอกลองๆอ ง, อ ง, องดูดิว่าเราจะดูแบบชนิดที่ไม่ให้ปัญหามาหนะ้าที่จีของเรามารดแรงในใจดูเป็นกรณีศึกษาที่ตัวเอกที่ตัวรองที่ตัวผู้ราย เราไปสร้างเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงหรือเมคขึ้นมาหรือไม่เมคขึ้นมาความเป็นจริงมันเป็นได้อย่างนี้หรือเป็นจริงหรืเป็นได้อย่างนี้หรือไม่ได้อย่างนี้ทําไมคนก็ดูกันเยอเรื่องการเรื่องนี้โอ้เป็นกรณีศึกษาอ๋อโกหกเนี่ยนี่กหกความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ได้นี้โอเคทีนี้ไม่ได้แล้วกระโดดอะไรสูงเป็นสิบวาสิบวาสิบ้าแล้วเนี่ยนี่ประเภ็ที่แอคชั่นขนาดนี้ยไม่ได้เรื่องแล้วนะครั้ขอบค่าจะ เออ น, นี้โอ๊ยจินตานาการบ้าบอลเลยนี่เกินกว่าเหยนอนี้เกินกว่าเหนเยนแล้วเนี่ยแยกๆเลยเป็นกรณีศึกษาอะไรว่ไอตัว น, นี้ไม่ตายสัทีโอ้โหโดนระเบิดตุ้มตุ้กระโดดหลบได้หมดเลยไอนนตัวอื่นตายหมดเลยนี่นี่ปกติแล้วเว้ยนี่ยไม่ใช่มนธรรมดาแล้วมัเป็นไปไม่ได้อะไรวะระเบิดตุ้มเข้ามาโอ้โหมีการกระโดดรอยออกไปไหม็นหลบทันแล้วปึป๊บขามันหักบุบาเนี่ยงทีมันโดดที่สูงลงมาเนี้ย โดดปบปุ๊ปุเมัเป็นอะไรเว้ยฟอ้ออกชัดดูมันจับผิดก็ไม่สนุกครับไม่ดูได้วยปัญญาไงเราไม่ได้ดูตอบสนองตัญหานี่สิ่งเสพนี่ดูอย่างนี้พอรู้ปุ๊มันได้ละได้ปัญญามันมีความสุขตรงที่รู้ความจริง ม, มันเห็นความจริงแล้วม่ได้ความสุขเอ้านี่มันโดดได้จริงลองดูทีถ้ามันโดดจากชั้นสองลงมาชั้นล่างได้มันไม่เป็นไรเน้นน้ำโดดจะสิ แทะไปไม่เป็นแล้วอ๋อยืนถามไปโรงพยาบาลนั่นีไยเนี่ยความจริงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะไอ้เจ้นี่มันโดดได้ยังไงไว้โดดใส่รถตุ้มยุบเลยฮะแต่ลุกขึ้นเฉยเลยลุกขึ้นเฉยแล้ววิ่งต่อดีด้วยแ ล, วแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะว่าไหมเจอเอเยนี่ผิด ป, ปกตินัน้เราก็เลยมองว่ามนุษย์มันมีฮีโร่จริงจริงมันมีตัวเก่งจริงๆ มันมีไอ้ประเภทไอ้แบบนี้มันก็เลยเวลาเราไปดูนักร้องโอ้โหเราเฮ้ยทได้ไงวะมันดดตีลังกาป๊ใจยโอ้ก็เฮ่ยใหญ่เราไปดูเือหัอันนี้ซ้อมวั่วโเี้ยตายที่จะมาโชว์ให้เราเห็นเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยที่โชว์ต้องซ้อมขนาดนั้นเพราะงั้น ก็จะมาหลอกคนว่ามันเก่งมันโอเคอะไรพวกแล้วว่านด้จะไปเสพอย่างเงี้ยเสพอย่างเนี้ยสนุกสนานมันเป็นจิ้งหรีดเนี่ยเขาปั่นนี่ไงก็โหปั่นไม่กัดกันจะกัดกขึ้นใหญ่ปั่นไม่เป็นอะไรเป็นหมดเลยเฮ้ยนี่สมองจิ้งหรีดไม่นะมันแค่ทำให้เอวเห็นนี่ดูกรณีศึกษาถ้าดูแบบกรณีเสพก็โอ้โหน้าตาไหลโศดีใจตอนที่มันประสบกวามสำเร็จบางทีก็นอน เขาใหญมันตายนะพอมันไม่ตายโอ้โหชื่นใจเดินกลับมายังคิดวนแล้วยังมันนอนอีกใจว่โอ้ดีมันไม่ตายคย่างนมั้ยเคเป็นไหมล่ะบางทีมันจบแบบค้างอ่ะจบปุ๊บไปเฉยๆนึใจมันจะไปไงต่อวะคิดไม่ไปตังอยู่ในนวนนึกว่าคนนี่เห็นไหมว่าดูแบบเสกลักษณะอย่างเนี้ย ถ้าดูอย่างปัญญาดูอย่างศึกษาดูอย่างวิจัยแยกแยะมันจะรับเสนว่าเออไ อ, อ้ภาพพยมเรื่นี้มันมีคนเข้าไปดูท่าไคนที่ต้องโง่เสียเงนินเท่าไหรโอยคนที่มาเป็นทากสกับเสียเงีนเท่เาไห่โอ้โหมากจริงจริงและเงินเนี่ยที่มันได้จากการขายภาพพยมเรื่องนีมน้มันใครเป็นผู้คิดใครเป็นคนผลิตโอ้โหหรือว่าเกมแต่ละเกียมที่คิดมาอันนี้ พนีห้หลอกคนจริงจริงแกโอ้โหคนผลิตรวยให้คนเสพจนเป็นไปแถวเป็นแถวไม่ยังบ้าต่างหาเลยคนนี้วันเวลาไม่มีอะไรไม่พออยู่หลมเรื่องนี้ทำให้คนต้องมาติดมาเสพติดเรื่องวันนี้โอ้โหในโลกแบนี้คนโง่วมันเยอะจริงจริง ม, มันแยกแยะได้บมเลยนะยนแยกแยะได้หมดเลยนี่ก็เรีว่าวิจัยได้แยกแยะได้แล้เข้าใจสภาวะ สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นนี่คือดูอย่างอย่างศึกษาดูอย่างวิจัยดูอย่างเช่นใช่ไหมนี่ถ้าหากว่าสภาพสังคงมหรือถ้าเราเป็นพวกอาจารย์สอนได้แล้วเนี่ยเรากับสอนคนแล้วให้เขาเรื่องนี่คือความรู้สึกที่เป็นความรู้นะนี่เป็นความเห็นนี่เป็นความรู้แยกไดนะ้แลนี่ความเห็นเป็นงนี้คุณชอบหรือไม่ชอบมันได้แค่ชอบหรือไม่ชอบแด้แค่ความเห็นแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้คุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ เหกรณีแบบเนี้ยถ้ากินอาหารแบบเนี้มันชอบใช่ไหมแต่อาหารประเภทนี้เข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันมันให้คุณให้โทษอย่างเนี้ยเนี่ยคนไม่สนไม่สนก็เร่อคุณชอบหรือไม่ชอบหรือถ้าคุณทาแบบนี้สร้างเหตุแบบนี้มันได้อย่างนี้สร้างเหตุแบบนี้มันได้อย่างนี้ไม่เกี่ยวคุณชอบหรือไม่ชอบแต่เรื่องของนิมเรื่องความรู้เรื่องของปัญญาถ้าเราแยกอย่างนี้ปัญญามาไหม เนี่ยปัญญามันมาทีนี้เราไม่ได้อยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบความสุขของเราอยู่ที่รู้ใช่ไหมแล้วมันเห็นมันเห็นข้อบกพร่องมันเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันเห็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะไม่ติดสิ่งที่ไม่ดีมันจะพัฒนาไปสนส่วนทีดีที่เลื่จริงๆริงเห็นไโอ้มันพัฒนาใหญ่พัฒนาไม่หยุดหย่อนเลยนะถ้าถ้าเราให้ปัญญามนุษย์ในสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่อยู่เพียงแค่เสพติดไปวันวันใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าเราาพิจารณาอย่างนี้ว่าอย่างยอมเนี่ยเป็นอนาจารย์สอนเนี่ยแล้วยอมก็ให้อะไรให้แค่ความเห็นพอให้แค่ความเห็นขึ้นมาอันนี้ยุ่งเลยทีเนี้ยเขาเขาจะให้ ค, ความเห็นเองเนี่ยถ้ายอมลงให้ความรู้ให้ความจริงเหมือนกรณีที่บอกว่าอาจารยั้งหลายเนี่ยการที่เขาผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มาเอาตั้งประเด็นขึ้นมาถามว่าใน ่วงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไหนล่มจมหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองยติลงประเทศไหนย่ำแย่ที่สุดล่มจมที่สุดแประเทศไหนรวยที่สุดเศรษฐกิจกระโดดขึ้นมาเป็นห้าร้อยหร้อยทอเมริกา อ, อ่าอเมริกาทำไมรวยที่สุดล่ะขายขายอะไรขายเรือรบ ข, ขายอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์โอ้ โ, อโหขายกันขนาดไหนในยุคนั้นขายยังไงเ อ, อ่อ ปกติเรือดำน้ำเออเรือเรือรบที่ผลิตขายเนี่ยใช้เวลาต้องหกเดือนได้ลํานึงใหม่ๆปีเนี่ยโอ้โหตอนยุคนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาทําให้เร็วที่สุดจากปีเหลือหกเดือนจากหกเดือนเหลือสี่เดือนจากเดือนเดียวทําเสร็จหนึ่งลําขายได้กันน่หนโอ้โหคนก็ต้องซื้อไปสู้กันอย่าเตียนคนทั้งประเทศแม้กระทั่งผู้หญิงของอเมริกันในยุคนั้น มาช่วยกระดมในการต่อเรือหรือสร้างอาวุธุทโธปกรณ์มันก็เลยเป็นประเทศผลิตนะเป็นประเทศผลิตมันไม่ได้มันมันอยากร บ, ล บ, ล บ, ลบอกเป็ล็อกขายอย่างเดียวรวยโอ้โหลายได้ของอเมริกันกระโดดขึ้นมาหลังร้อยเท่ากันอย่างเนี้ยเราก็จะมองเห็นโอ้ยนี่ก็จะให้ความรู้พความจรงิงเป็นแบบนี้ความจริงเป็นอย่างนีน้ฉะนั้นถ้าเราจะไปปันป่นที่ประเทศมันทะเลาะกันเนี่ย ทำไมเออเวลาให้ข้อะบวงการโลกก็คือทำไมเวลาอังกฤษปกครองอินเดียทำไมเขาต้องหย่อนคนหลายๆเชื้อชาติาศาสนาไปบอมไปติ้งเอาไว้ในปกครองศรีลังกาทำไมเอากลุ่มทมินกับกลุ่มพยักฆ์ทมินีแลมกับกลุ่มคนพื้นเมืองมันอยู่ด้วยกันทำไมเวียด น, นามเหนือเวียด น, นามใต้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้อลไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีวิธีการยังไงเขานาเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็เป็นยุทธวิธีในการที่ทำให้คนในประเทศนั้นมันทะเลาะ ก, กันรอบ ก, กันมา เพื่ออะไรล่ะใช่ไหมเขาผลิตอะไรใช่ไหมประเทศที่ไม่สงบยังมีเวลาในการผลิตคิดค้นไหมย่างนี้แล้วนเนี่ยเนี่ยไม่มีอ่ากูไม่มีก็มาหาฉันดิฉันฉันรอฉันขายอยู่ฉันไม่มีของให้คนอยู่เพราะประเทศจนีนมันไม่สามารถทําอย่างอื่นได้มากแต่ทําอย่างนี้ได้นี่เป็นต้นเห็นไหมถ้าเราคิดให้เป็นเหมือนประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะทําให้เป็นอู่ ฆ่าอู่น้ของโลกมันก็ทําได้แต่จะทำเป็นจริงไหมแต่ว่าจริงๆเราเคยคิดไหมย่ีเป็นต้นต้องคิดจริงๆนั่นจริงๆโอ้โหมันจะส่งออกเป็นเท่าไหร่นี่เพรทุกคนมันต้องกินต้องใช้ต้องกินไม่มีอาหารกินอยู่ได้ที่ไหนเราทําให้มันดีดีดยดิเฮ้ยเป็นแรงผลิตร้อยต่อไปอย่างอื่นไม่เอาแล้วเราไม่เก่งทงด้านเทคโนโลยีอย่างอื่นเราไม่เก่งด้านของอาวุธเครืทรกราแต่ฉันเนี่ยเป็นแหลมเป็นแหลมผลิตอาหารเลยว่าแม่เนี่ยเป็นอาหารดีที่สุดใลิตออกมาจะไมจ๊ตวเดีนะ ถ้านคิดแบบนี้ขึ้นมาถามว่าเป็นปัญญาไหมปัญญาหาข้าวจินได้แล้ไม่มีอะไรวิเชียเห็นอันนี้เป็นกรรมอะไรเนี่ยเป็นมโนกรรมไหมมโนมโนกรรมเห็นทั้งหมดอันนี้คือมโนกรรมก็คือกระบวนการความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเลยก็ว่ากันไปทีนี้ในบรรดากรรมเนี่ยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยบทกีข่าวไปแล้วว่ามโนกรรมเนี่ยสําคัญที่สุด จริงไหมเพราะมีผลที่กว้างขวางรุนแรงที่สุดพระริจ้าบอกดูก่อนตปัดสีบรรดากรรมสามอย่างนี้ที่เราจําแนกไว้อย่างนี้แสดงความแตกต่างกันอย่างนี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการกระทํากรรมในความเป็นไปเหตุบังคับกรรมหาบัญญัติกายกรรมว่าไม่บัญญัติกายกรรมวิีกรรมนะว่ามีโทษมากแต่มโนกรรมมีโทษมาก เหตุที่มโนกรรมมีโทษมากก็เพราะอะไรจุดเริ่มต้นของกระบวนการความคิดนั้นที่เรียกมาจากมโนกรร ม, มเริ่องหนนี่ฮมโนกรรมยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าที่บอกมโนกรรมมันก็มีสองส่วนในสองส่วนที่เป็นมโนกรรมในความเชื่อถือความเห็นทฤษฎีแนวความคิด แ่คานิยมต่ตางๆที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมเนีความเป็นไปของชีวิตของบุคคลคติของสังคมทั้งหมดเมื่อเชื่อเมื่อเห็นหรือนิยมอย่างใดแล้วมันก็คิดกระทาก็พูดไปตามความเชื่อตามความเห็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นวิชาทิฏฐิเราเห็นผิด น, นีการดมเรศการพูดและการกระทํำในทางที่ผิดมันก็เป็นวิจฉาไปด้วย ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องการดําริการกู้จาการ ก, การะทํำก็ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาไปด้วยมองเห็นได้ยัง <c oughs> นี่พระเจ้าสแสดงความสําคัญของมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเพรดูความพิเศ์ทั้งหลายเราไม่พิจารณาทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญ ย, ยิ่งขึ้นไปจนถึงภัยบณ์เหมือนอย่างวิชาทินี่เลยจริงนนในบรรดาในบรรดาที่บอกว่าวิชาทิฏฐิเนี่ยมิตรที่บอกว่าเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักยอย่างหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้อกุิศนธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอคติศนราธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปจนไัยภูมิเหมือนอย่างวิ ช, ชาที่ถิเจริงหรือไม่จริงแล้พูดตรงกข้ามนะดูก่อนวิสุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเหธรทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อคศนธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งเจริญไทมูลเหมือนอย่างสำมาทิฏฐิเลยก็ดูกแล้วว่าอะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมกายยะตุจดิจิจิตจดิจิโนทุจริตอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ยมันมีรากมันมีเชื้อมาจากอะไรมีเชื้อมาจากวิชฉาทิฏฐิกุศลกรรมกายยสุจริจิจิตสุจริจิโมตุจดิจิตตลอดถึงกุศลธรรมทุกชนิดมันมีเชื้อมาจาก สัมมาทิฏฐิใช่ไหมพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบคุคคลเป็นผู้มีวิชาทิฏฐิกายกรรมที่ยึดถือปฏิบัติก็พร่งพร้อมไปตามทิฏฐิก็ดีวิจีกรรมยึดถือปฏิบัติพร่งพร้อมไปตามทิฏฐิก็ดีมโนกรรมที่ยึดถือปฏิบัติที่พร่งพร้อมไปตามทิฏฐิก็ดีเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีปณิธานก็ดีการปรุงแต่งทางกายก็ดีทำทั้งหลายไม่น่าชอบใจเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์ ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะวิจฉาที่ตีนี้เป็นความชั่วร้ายเปรียบเสมือนเม็ดสดาก็ดีมเมล็ดบวชขมก็ดีมเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่เขาดูดซึงไปทั้งหมดย่อมเป็นไปก็ความเป็นของขมเป็นของเผ็ดเป็นของไม่อร่อยข้อนั้นก็เหตุไรก็เพราะว่าพืชมันไม่ดีใช่ไหมล่ะมเมล็ดสะดามเมล็ดบวชขมเนี่ยเวลาเอาไปเอาไป โอ้แล้วเวลามันออกมาเป็นลําต้นเป็นใบเป็นจริงมันขมไปหมดไหมขมหรือไม่ขมบวกขม อ, อะ่ะเสดาอะ่ะเสตดาในใบมันขมไหมใบขมเปลือกขอมอะไรมันขมหมดนะมันเป็นเพืชชนิดที่มันเม็ดมันให้ขดที่เป็นนี่ก็เหมือนกันคนเราถ้าเป็นวิชาที่ถี่ถ้าเห็นผิดแล้วเนี่ยการจะทําทางกายออกมาเป็นยังไงดีไหมทางวาจาดีไหมการคิดทางใจดีไหม มันก็เสียหายหมดเลยเนี่นะมันก็เสียหายหมดเลยก็อะไรเป็นมโนกรรมที่เป็นวิชาทิฏฐิเมื่อบุคคลเป็นสมาธิฏฐิที่มีสมาธิฏฐินะกายกรรมที่ถือปฏิบัติพร้อมตามทิฏฐินั้นตามสมาทิจฐิก็ดีวิจิกรรมที่ถือปฏิบัติพร้อมไปตามทิฏฐิมโนกรรมที่ถือปฏิบัติพร้อมๆไปตามทิติก็ดีเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีบณิธานก็ดีการตงแต่งทั้งหลายก็ดีทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อ ผลที่น่าปรารถนาน่าใค่าน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นก็เหตุไรเพราะที่ิศที่ดีงามเปรียบเสมือนพันธุ์อ้อยก็ดีพันุ์ข้าวสาลีก็ดีพันุผลจันทร์ก็ดีที่เขาเอามาปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น ม, มีรดดินรดน้ําที่มันดูดซึมเข้าไปแม้ทั้งหมดก็ย่อมเป็นไปเพื่อมีความรสหวานเพื่อความเป็นของอร่อยเพื่อความน่าชื่นใจข้อนั้นก็เหตุไรเพราะคืชมันดีงามเห็น้หม ถ้าต้องการชี้อะไรตรงนี้ชี้อะไรคุณธรรมขอ่าชี้ชี้ถึงว่ามโนกรรมเนี่ยที่เป็นมโนทุจริตกายกรรมที่เป็นกายทุจริตวัจจิกรรมที่เป็นกายทุจริตมโนกรรมกายกรรมหรือกจีกรรมวัจกรรมที่เป็นทุจริตทั้งหลายอ่ะมันมีเมรัพพันมาจากวิชาทิฏฐิเป็นเมรัพพันเมื่อมีเมรัพพันเป็นวิชาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันย้อมสู่ในใจนะ ในกระแสความคิดเนี่ยนะของบรรดาสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นวิชาทิฏฐิแล้วเนี่ยเวทนาที่ประกอบก็ดีสัญญาที่ประกอบก็ดีสันธาราขันวิญญาณาขันที่ประกอบก็ดีมันขมมันเสียหายมันผิดไปหมดเลยนะเมื่อมีวิชาทิฏฐแล้วเนี่ยความจําที่เกิดร่วมก็เป็นความจําที่ผิดเวทนาที่เกิดร่วมก็เป็นการโศวยอารมณ์ที่ผิดเห็นไหมเนี่ยการปูงแต่งที่เกิดร่วมที่เป็นวิตกทั้งหลายก็เป็นวิตกที่ผิด วิจารณ์คร่าครลออารมณ์ทั้งหลายก็เป็นวิจารที่ผิดความเพียรที่เกิดขึ้นก็เป็นความเพียรที่ผิดการระลึกที่เกิดขึ้นก็เป็นการระลึกที่ผิดทีนี้การโกงแต่งในใจทั้งหลายมันเป็นของขมมันเป็นของเสียหายมันเป็นของผิดทั้งหมดแล้วผลักดานกระบวนการความคิดออกมาก็เปินคมโนทุจริตทําให้พูดออกมาก็เป็นวิญญาทุจริบทาให้ทําออกมาก็เป็นกายทั้งจริบบาปสุรกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายมันจะติดตามมาจากวิจฉาที่ิฐินี่แหละ เห็นไหมเอ๊ะมันปรุงแต่มันประสมมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันไม่ดีเวลาไปเชื่อมกับอะไรแล้วมันทําให้ความไม่ดีมันซึมไปหมดเลยนะซึมไปทุกต้นกำไม่ว่าจะเป็นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกกาตาวิติติมรณาจารยวิถอวิจารณ์อี่บดีวิทยาพิจิตรันมันไม่ดีหมดเลยในเนี้ยในตรงเนี้ยถูกความวิชาทิฏฐิครอบงําหมดเลยโลกกฎหลงทั้งหลายนี่ยวิชาทิฏฐิครอบงําหมดว่างั้นเจอสภาพใจแม้แต่วิญญาณสภาพจิตทังคนดังนั้นเนี่ย ก็ถูกวิชาจิฏฐิเนี่ยซึมซาบหมดเลยมันจึงไม่ดีเห็นไหมพราะกระบวนการความคิดออกมาการเป็นคิดผิดแล้วพูดผิดทําผิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหลายมันเป็นความผิดความเสียหายตามมามันอย่างรวาเรื่อยๆนี่แหละมันเป็นเมล็ดเสดาเมล็ดบวบผมน้ำเตาที่มันขมจนพวกนี้สิ่งเหล่านี้โอ้โหมันไม่ได้ขมเฉพาะเมล็ดมันนะ พอมันได้ปุ๋ยได้น้ํารดน้ำบนดินเสร็จมันขึ้นมาเป็นต้นต้นมันก็ขมเปลือกมันก็ขมรากมันก็ขมยอดใบออกผลออกมาขมหมดเลยมืเสดาวมันไปแก่งกินดินมันขมหมดทั้งต้นเลยเนี่ยเสดาวขงเนี่ยมันขมหมดเปลือกเนี่ขมเลยแก่งมันก็ขมถ้าเราไปถากเปลือกมันกินเลยขมหมดวิชฉาที่ฐีเนี่ยมันเกิดในกระแสชีวิตตัวใครมันเสียหายหมดมองเห็นไหมและอกุสนี่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ภัยบุญถึงความภัยบุญเจริญยิ่งยขึ้นไปจนจนผักดันเป็นกายทุติยดิจิตวิจิตรจิริตรมโนทุติยิริออกมาผักดันมาเป็นสักกยะที่ถีไม่บรนะเป็นเป็นสัตยะที่จี20เนี่ยยังเป็นอุเฉะและที่จีขาดศูนย์อีกพัฒนาต่อเป็นสัตยาจีเห็นว่าเทียมอีกเป็นอัตรยาที่จีเห็นว่าไม่เป็นบาปเป็นบุญอีกเป็นนักจิตาที่จีผลบาปผลบุญไม่มี เป็นอหิธุกาัาทิฏฐิปฏิเสธทถี่ก็อีกดูซิมันตา ม, มาเยอะไหมเนี่ยอิทิอีกเยอะมากไปเห็นผิดอะไรเยอะมากในกระแสชีวิตมันมาจากอะไรมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้่ก็เรียกว่าโอ้มองมองอย่างนี้มองถูกราบมันเสียทีนี้ถ้าตรงเงินข้าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องดีงามขึ้นมาอะไรนถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดซึกับใครแล้วเนี่ย เวทนาขันที่เกิดร่วมก็คอยเป็นสิ่งที่ดีงามไปด้วยเวทนาสวยรถของอารมณ์ก็สวยเรื่องดีดีด้วยสัญญาที่จำก็จำเรื่องที่ดีจำทิจเกิดอกุลกุศลเป็นกุศลสัญญาเป็นนิเพธผ่านทางญาสัญญาเป็นสัญญาที่จะจะเป็นไปกับกุศลเลยไม่ใช่เป็นอกุศลสัญญาสังขารที่ปรุงแต่งก็จะปรุงแต่งเรื่องที่ดีๆด้วยสติกก็การเป็นระลึกเป็นสิ่งที่ดีสมาธิก็ตั้งมั่นในสิ่งที่ดีความเพียรก็เป็นความเพียรชอบ แต่ไม่สติก็เป็นการระลึกชอบเนี่ยมันจะเป็นทั้งพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมทั้งหลายนั้นมันกลับได้รับรสชาติของความดีที่มาจากสัมมาทิฏฐิสภาพจิตใจดีหมดเลยยนะจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตไม่มีของเสียจิตที่สะอาดจิตออกบำแพ็วจิตที่มีมวลทิพเกิดขึ้นเลยเวทน า, าสัญญาสังขารอย่างที่ประกอบในนั้นะดีหมดเลยไหมดีหมดเลยใชนะ่ไหมทีนี้ยมโนกรรมชิดก็ดี กายกรยกรมก็เป็นกายกรยกรมที่ดีวิจิกรรมก็เป็นวิจีที่ดีนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไทมูรเลยไม่ใช่ทานกุศลธรรมดาศีลกุศลภาว น, นากุศลพัฒนาไปเป็นศีล ส, สมาธิปัญญาจากกุศลธรรมดานี่นะพัฒนาเป็นกุศลระดับอุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิไปถึงกุศลระดับอ ป, ปนาสมาธิ กุศลระดับโลกิยะเขาถึงโลกุตระเขาถึงวิปัสนาญาณทุกระดับเขาถึงโลกุตระเขาถึงมากเข้าถึงผลได้ก็มาจากสัมมาทิฏฐิแหล้วสมมาทิฏฐิมีคุณมากมีคุณอันนันท์แต่ไม่ฌาทิฏฐิเนี่ยมีโทษมหันม่ต้องกันข้าวเลยไหมอย่างนี้เป็นก็มองเห็นยังที่นี่ต่อต่อนทีนี้ว่าเป็นตัวที่กายกรรมที่เป็นกุศลมวิกกรรมที่เป็นกุศล ประเด็นก็คือว่าพิสูจนทั้งหลายเอกบุคคลเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในโลกจอมเกิดขึ้นมาเพื่อไม่เกือ้อกูลแกผู้อุชนเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่พระุชชนเพื่อความเสื่อมประโยชน์เพื่อไม่เกือ้อกูลแกผู้อุชชนเพื่อความทุกข์แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือใครก็ได้แก่บุคคลที่เป็นวิชาทีดีมีทัศนวิปริต เองบุคคลผู้มีวิชาทิฏฐิมีทัศนธาที่วิปริษย่อมยังหูชนให้คาดเคลื่อนจากพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นในอัศธรรมทีนี้เรามีบุคคลประเภทนี้เป็นมากทีเช่นปุรณะกัสสามคคิรโศสาลออชิตาเยสกัปน์ปกุทฐกกัจยาะนิโครนาตะบุสัญชัยเวรประุถเทวทันตเนี่ยนี่เนี่ยให้คาดเคลื่อนจากพระัทธรรมเลยรออีกอย่างนะเนนาเนี่ยเป็นไงเป็นกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ทำให้คนอื่นเขาฆ่าเคลื่อนอย่างวัสดธรรมหรือไม่ให้เขาตั้งมั่นอย่างวัทดธรรมหรือคฆ่าเคลื่อนเราก็เป็นนะเคยทําให้คนฆ่าเคลื่อนอย่างวัสดธรรมไหมล่ะชวนเขาไปเฮ้ยอย่าไเจริญกุศลเลยมาทําบวชบาปดีกว่าเลยแต่ถ้าเป็นเอกบุคคลเนี่ยบุคคลที่มีพลังมีอนุภาคเป็นอี่ทําให้เคลื่อนออกจากเส้นทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิวทาเขาถึงเส้นทางที่ปิดผ้า ภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้หูชนเพื่อความสุขแก่ผู้หูชนเพื่อประโยชน์แก่ เ, เ, เาากื้อกูลแก่ผุ้หูชลก็ชนเป็นอย่มากนะเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุยทั้งหลายเอกบุคนคล น, นั้นคือใครได้แก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิมีทัศนะที่มีวิปริลเอกบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิย่อมยางผู้หูชนให้ออกจากอกสัตยธรรมให้ออกจากกายยโุจริตวิจิตรจริตมโนจริตเข้าหากายยโสจริตวิจิตรจิตมโนจริตออกจากทางที่ไม่ใช่ วิชาปฏิปทาก็าถึงสมมานปฏิปทาที่มีต้นให้ตั้งมันในกษัตริทา์าำพิกษุน์ั้งหลายเราไม่พิจารณาทำแม้ยอย่างหนึ่งซึ่งมีโทษมากเหมือนวิชาทิฏฐิเลยพิกษุน์ตั้งหลายสิ่งที่มีโทษทั้งหลายวิชาทิฏฐิมีโทษอย่างนีมีโทษอย่างนี้วิชาทิฏฐิมีโทษมากแล้วก็ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ใช่ไหมนะ สำเร็จลงได้ใจถ้าบุคคลมีจิตเสียจะแล้วจะพูดก็ตามทําก็ตามคิดก็ตามทุกข์ก็ย่อมติดตามเข้าไปเหมือนล้อหมุนตามโคที่ลากเวียถ้าบุคคลมีจิตใจของใสพูดก็ตามทําก็ตามความสุขก็จะติดตามเหมือนดังเงาที่ติดตามตัวนี้ปต้นฉะนั้นกุศลแลอกุศลนี่เป็นอะไรเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลต่อใคร เวลาบุญศลเกิดขึ้นอาุศนเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดที่ไหนใช่มันให้ผลที่ไหนก่อนก็ให้ผลที่จิตใจก่อนจริงไหมอันนี้ดูผลนี่ว่าโดยสาสชาติรำนะกำนี้ให้ผลทันทีในขณะที่เกิดทั้งที่ดีและไม่ดีถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมันก็ให้ผลที่สภาพจิตใจนี่แหละก่อนทีนี้ว่าแล้วมันก็จะสแสดงออกมาภายนอก กุศลนะกุศลน่ยมันเพ่งไปที่พื้นฐานก็คือเนื้อหาสาระและความเป็นไปไปในจิตใจเป็นหลักก่อนกุศลแปลว่าอะไรกุศลศัพท์นี้แปลว่าอะไรบึกบานแปลว่าฉลาดแปลว่าชํานาญแปลว่าสบายหรือเอื้อหรือเอื้อกูลเหมาะดีงามมีเป็นบุญคล่องเคล่วตัดโรคตัดสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ที่น่ารังเกียจส่วนอกุศลก็จะแปลว่าทำที่เป็นปฏิปักษ์กับกุศลหรือตรงกันข้ามกับกุศลไม่ฉลาดไม่สบาย ไม่ชำนาญไม่เอื้อไม่เหมาะสมไม่ดีงามใช่ไหมต้องเป็นข้างกระแป้งนี้นี่ท่านอธิบายก็คือว่าอันของกุศลหนึ่งอโรมคยะอารคยะแปลว่าอะไรความไม่มีโรคก็คือสภาพจิตที่ไม่มีโรคคือสภาพจิตเนี่ยหรือสภาวะองค์ประกอบที่เป็นเกื้อกูลต่อสภาพจิตใจทําให้จิตไม่ป่วยจิตไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสับกระสาย เป็นจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่คล่องกระแทวเป็นจิตที่สมองเป็นจิตที่สบายแล้วก็ใช้งานได้ดีใช่ไหมเธอจิตป่วยเป็นยังไงเวลาควาบกทหัวท้อถอยเกิดขึ้นแล้ป่วยไหมหงายเหงาเศ้าซึมเคยเป็นไหมล่ะย้าเคยเป็นจิตป่วยเคยเป็นไหมเป็นครับซึ่งหงอยเหงาเศราซึมเครียดมันมีกําลังใจเอท้อถอยทเออเนี่ยก็จะจิตนันป่วย ถ้าไม่ป่วยอ่ะบิกบานมีกําลังใจแขางแรงนี่แหละจิตแข็งแรงจิตฉลาดจิตตั้งมั่นจิตคล่องแคล่วจิตเหมาะแก่การที่จะไปวิจัยแยกแยะอะไรนี่เพราจิตมันเป็นกุศลเห็นไหมตรงกันข้ามไหมนั่นแปลว่าอารมขยะยหรือโรคยะยโรห์ขยายแปลวจิตป่วยจิตมันมีโรคมันมีมันมีโรคจิตมันหมอยเหงาจิตมันไม่แข็งแรงจิตมันไม่คล่องแคล่วจิตมันอื่นอัดหนักไม่หมดก็จิตที่แข็งแรงตั้งมั่น ผ่องใสฉลาดเหมาะแก่การที่ไปไปวิจัยเหมาะแก่การใช้งานอนนาวช้าจิตมันมีจิตไม่มีโทษก็คือไร้ตําหนนะิแสดงออกมาวาที่จิตสมบูรณ์นะไม่บกพร่องไม่เสียหายหรือไม่มีของเสียไม่มัวลหมองไม่คุณมวเนี่ยเป็นจิตที่สะอาดเอียบองค์ของแป้งของแป้งน ะ, ะเนี่ยนะสะอาดเอียบองค์ของแจิตใสจิตสะอาดมันเบิก บ, บานเนะไม่คุณมวเพราะจิตใสจิตสะอาดจิต มันจิตเบิกบานจิตไม่กลุ่มมัวมันมองเห็นอะไรชัดคิดอะไรออกอยากให้คิดอะไรนี่มันเห็นปั๊บๆเลยเคยไหมคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกคิดอะไรก็ไม่ค่อยเห็นแปลว่าอะไรจิตไม่สะอาดจิตมันมัวหมองมีจิตมันจิตมันป่วยมาแล้วมันเป็นโรคแล้วจิตมันมีโทษแล้วเนี่ยมันมีโทษเขาเรียกว่าเป็นทวะอนนวัชานี้ไม่มีโทษทวชานั่มีโทษอนนวัชานีไม่มีโทษ ถ้าจิตมันมีโทษแปลว่ามันมีของเสียเต็มไปหมดเป็นจิตที่มีตําหนิมีของเสียจิตไม่สะอาเดเยอะของของแก้วจิตมีมลทินเหมือนน้ําอ่ะน้นําไม่สะอาดน้ําไม่ใสไงไมันจะไปมองเห็นอะไรได้ไงขุ่นไปหมดเหมือนกสภาพจิตที่เป็นกุศลอกุศลมันต่างกันอย่างนี้วิธีสังเกตวิธีสังเกตใช่ไหมอะ ต, ตอนนี้จิตใสหรือไม่ใส มีโรคแล้วไม่มีโรคเป็นกุศลแล้วอกุศเนี่ยก็เป็นบาปทีดังนั้นเนี่ยทั้งนี้นแสดงว่าทำกุศลแล้วมีอกุศลเข้ามาเจือบออยู่าท้งนี้ก็ยุ่งมาทีเนี่ยเป็นกุศลไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ฉลาดมทีนี้โ ก, โก ส, สักุศลสัมูตตาก็คือว่าเกิดจากปัญญาเกิดจากาความฉลาดเนี่ย ก็คือประกอบมีปัญญาประกอบในขนาดนั้นพอมีปัญญาประกอบก็เรียกว่าเป็นชิดโดยอุบายแยกคายขึ้นมาแล้วเป็นจิตที่ฉลาดเป็นจิตที่เป็นจิตที่ฉลาดมองเห็นแยกแยะองประกอบอะไรได้ชัดมากตอนนี้แยกอะไรได้ชัดไหมแยกกุศลอมกุศลบุญบาปสิ่งที่มีโทษสิ่งที่ไม่มีโทษแยกได้ชัดไหมสมฆ์นะเกิดไหยตอนนี้สุขวิปาส์มีสุขไหมมีสุขได้เห็นได้รู้มันสุขหรือมันเครียด หรืมันหงอยเหงาไม่เศ้าสุอ่ออย่างนี้อากุศลเอหงอยเหงาเศ้าสุหมเบิกบานหเอออันีเป็นกุศลเบบานมพ่งเป็นหรือว่าเป็นเมื่อกี้ก็กระจ่างแจ้งขึ้นก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีคันี่ัอย่างนี้ก็แยกแยกอย่างนี้หนึ่งก็คือจิตไม่มีโรคสองจิตไม่มีโทษสามจิตที่เป็นไปกุศลฉลาดจิตที่ชานฉลาด แยกแยเหตุผลไปต้นไา้ดีเพราะมีปัญญาประกอบสี่ก็เป็นไปกับความสุขมีพราโมอดปีติสุขสมมนาเกิดขึ้นในขนาดนะั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศลถ้าอกุศลก็ตรองกระทั่งทีนี้เวลาทํากรรมไม่ดีหรื อ, อทํากรรมดีทํากุศ ล, ลกรรมด้วยจิตที่ฉลาดชำนาญสบายเ อ, อื้อดีนะตรงเนี้ยนี่ในขนาดนี้เะไรก็รกุศลมันเกิดขึ้นพอกุศลเกิดขึ้นแล้วมันให้ผลทันทีในใจิตใจนะ ัใจที่ไม่มีโทษใจที่ไม่มีโรคใจจิตที่ไม่มีฟองสีนะจิตที่ฉลาจิตที่สะอาดเย็บออกของแพ้วจิตที่ไม่มีวนทินจิตที่เป็นไปนกับสุขสมนะในขณะนั้นชื่อว่ากุศลมันให้ผลในระดับจิตใจเป็นสาชาตกรรมะศาชาตัดนิสยาศาชาตัดสติสาชาตัดวิคตัก็คือหมายความว่าเป็นสาชาตัดคือมันทั้งปุตทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดพร้อมกัน เกิดพร้อมกันเลยเพราะมันเกิดพร้อมกันมันว่มามันทำของเสียในจิจหายไปหมดเลยตอนเนี้ยนะตาทวิยัสติสมาธิปัญญามประชุมกันอยู่มีแต่ตื่นดีๆยังไม่เป็นสายตาตาเป็นสมัมพยุทตาประกอบกันด้วยนะเป็นสายตาตาทิ่สัญอาศัยซึ่งกันและกันก็ก็มามาขจัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่งัวหมองออกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้มันแล้วก็มัน เป็นปัจจัยต่อกันเอื้อต่อกันและกันนี่เป็นอนัญญาบัญญาเอื้อต่อกันและกันนี่เป็นต้นพิจาราที่เป็นกุศลในนั้นก็ดีพวกความไม่โลภ ค, ความไม่โกรธปัญญาก็ดีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเฉลา่ยอะไรเนี้ยที่เกิดพร้อมกันในขณะนั้นในขณะจิตในนั้นที่เป็นกุศลในนั้นๆมีทั้งความสุกมีทั้งความฉลาดมีทั้งความสะอาดเอี่ยมเหมาะเหมาะแพ้วสภาพจิตตรงนั้นเนี้ยนั่นแหละเขาเรียกวเป็นกุศลเป็นความฉลาด เป็นความที่ไม่มีโทษเป็นจิตที่ไม่มีมลทินเป็นจิตที่มีมูลของเสียเกิดขึ้นแล้วเนี่อกุศลเกิดขึ้นอย่างเนี้เป็นสภาพของกุศลที่มีกําลังเป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรมนะที่สภาพของมโนกรรมที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันให้ผลทันทีในขณะนั้นมันทําให้กลุ่มสภาวธรรมทั้งหลายจะเกิดพร้อมกันกับเขานะ่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งหลายมันเพื่อกูนมันเพื่อมันฉลาดมัเหยียมป่องแผ้วมันมีมลทินเกิดขึ้นเนี่ยนี่มันให้ผลแล้ว ในขณะที่ทําสิ่งที่ดีทั้งหลายเนี่ให้ผลในระ ด, ดับจิตใจต่อมาทีนี้มันยังให้ผลในระดับบุคลิกภาพด้วยถ้าทําสภาพกุศลและจิตอย่างนี้เกิดบ่อยๆยยๆๆความฉลาดอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆความสุขอย่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆความมีจิตไม่มีโทษอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆถามว่ามันจะทําให้บุคลิกภาพเป็นยังไงจากเครียดทุ่งถึงอะไรต่างามันหายไปหมดไหมกลายเป็นบุคลิกภาพพฤติกรรมใจใจหอกมาะาังกายประจัญเอี่ยมมองคลองแผ่ว อ่อนโยดูดีไปหมดเลยอ่ะโอ้โหทำไมคุณดูดีจังสีหน้าแววตายิ้ม แ, มแมย้มเแจ่มใสดูทําอะไรเป็นคนที่คล่องแคล่วดูเป็นคนที่มีสติสตเปยัญญย ก, กํากับอยู่กับตัวไม่ปั่นป่วนเลื่นห ล, ลงเลยเล ย, เ, ลยเนี่ยเห็นมันให้ผลเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าบุคลิกหน้าคบหาหน้าเข้าใกล้อยู่ใกล้จะมีความสุขไม่ใช่เข้ามาแล้วอะไรก็ไม่รู้ ดูเศร้าหมองคุณมัวดูหอยเหงาดูดูหอยดูโศกดูเครียดดูกุ้มดูไม่มีความสุขในชีวิตจริงเหมือนคนใกล้าตายอะไรเงี้ยนะมองเห็นเนี่นะยให้ผลระดับที่สองเนี่ยนะบุคลรกับภาพทีต่อมาไม่ได้ให้ผลแค่นั้นไะด้ลาบได้ยศสุขสรรเสริญตามมาเช่าหมพ่อไม่ได้ผลสองระดับระดับที่สามลาบยสุขสรรเสริญสมกว่า เนี่ยคนโดยส่วนใหญ่เราจะรอผลระดับสามว่าเราทําดีจะตายแต่ทําดีด้วยจิตที่เครียดจิตที่ก้มมันดีแค่รูปแบบเจนโอ้โหผมขยันทํา ง, งานมากช่วงนี้ผมเครียดมากท่านผมเป็นคนดีนะแต่เป็นไงแต่ผมเครียดทุกวันดีแบบไหนดีเหมือนยมนะแต่เป็นกุศลไหยเป็นไหมดีกับกุศลต่างกันไ้มเนี่ย ถ้าโยามเป็นคนดีเนี่ยทำงานขยันทุกวันเลยไปงานเจ็ดโมงเชา้าเลิกงานห้ามงเย็นท่องเทการทํางา น, งานดูแลงานเลยหัวเอาเอาใจใส่เต็มที่เลยแต่เครียดกลุ้มไม่มีเวลาพักความเนมหนื่อยเหลือเกิเครียดเหลือเกินกลุ้มแล้วบางทีก็ท้อแท้หงอยเหงาเศร้าซึมตอนนั้นเป็นเรื่องโยงมเป็นคนดีไหมดีแบบโลกโลกแต่ตอนนั้นเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกุศลเรือ เ, เกุศลเป็กุศลกุศลอกุศลเกิดขึ้นเป็นบาปไหม ตอนนี้กำลังทำบาปอยู่ใจเป็นสุจริตหรือเป็นทุจริตเนี่ยเขาเรียกมโนทุจริตพูดออกมาจะเป็นสุจริตหรือทุจริตเมื่อใจเป็นทุจริตแล้วก็เป็นวิจิตรจริตทำออกมาก็ทุจริตแต่ทำดีทาดีที่ยอมเข้าใจไงอย่างงี้ไงความจริงเป็นแบบนี้ไงที่ผ่านมาเออเนี่ยเขคนดีคนดีในโลกเป็นแบบนี้ทำงานก็จริงอาจังเครียด กลับมาสภาพจิตใจก็แย่เดี๋ยวต้องพักสักหน่อยจะไปนั่งกรรมฐานก็ไปคิดว่านั่งกรรมฐานแล้วมันจะได้ได้บุญแล้วแต่ไปทํารรนั้นมันเครียดเนี่ยไม่รู้จะทําไงท่านผอไม่เลยงานไม่เยอะงานความทํามันจะเครียดเลยจะไม่แล้วนั่งหงอยเหงาเหมือนกันเนี่ยทั้งๆกิจกรรมมันดีมันไม่ได้บุญล่ะเพราะอะไรอ้าวมันวางท่าทีจังใจไม่เป็น ใช่ไหมความฉลาดที่ไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดโยนิโสไม่เกิดผู้ผสนจะเกิดได้ไงทั้งๆที่ได้เนี่ยเรียกว่าได้ปรตโตภาษาดีไหมขาดอะไรขาดโยนิโสนี่ขาดมิตภายไงเนี่ยมิภัยนอกดีจะตายสิ่งไม่รอมีจะตายจะมานั่นทำบาปซะนี้ก็ใหญ่ยังก็เรียนรู้กันแต่ทําไม่เป็นซะอีกโอ้โหเนี่ยเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ให้บาปเกินนะใช่ไหมล่ะเนี่ยลักษณะที่มโน มันก็เลยเนี่ยลักษณะเนี้ยผมทําดีแล้วไม่ได้ดีทําดีมันก็ต้องได้ดีทุกทีไปดิเว้นแต่ไม่เข้าใจทําให้มันดีไม่เข้าใจทําให้มันดีมันเลยไม่ได้ดีเห่นไหมล่ะดีกับกุศลมันต้องไปแยกกันจริงจคนดีเนี่ยเครียดรุ่มเป็นโรคประสาทเยอะแยะอันนั้นแหละคืออกุศลเกิดไม่ใช่กุศลเกิดอันนั้นบาปเกิดไม่ใช่บุญเกิด ใช่นั้นทุติยิบเกิดไม่ใช่สุติยิบเกิด น, นี่ต้องแยกให้ออกพอจะชัดเจนไหมอย่าค่อยต่อโอเคหน้าให้บาดเกิดเอง